อ่าสวัสดีคุณวาสนาสวัสดีค่ะท่านสบายดีเหรอค่ะสบายดีค่ะก็ได้พาไปคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวไปไปน้ำระสการท่านบันลังคานะคะไปผานกรุงเทพใช่ค่ะไปจากกรุงเทพไปสี่ไปสี่คนค่ะก็ได้นํายาไปถวายด้วยไม่ใช่ยานะท่านคือเห็นท่านไอก็เลยเอาพวกมะขามเป็นพวกสมุนไพรอยะไรท่านอมถ้าลองเปิดดูในกล่องขาวอะค่ะ ไม่ได้ทักทายเลยไม่รู้วเป็นใครอ๋อก็ก็บอกใส่ท่านอาจจะไม่ดีเป็นที่เป็นกองขาวอะคะ่ะท่านเอาไปถวายท่านก็จะมีพวกเอ่อเป็นมะขามป้อมอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องช่วยเรื่องเสียงค่ะท่านค่ะวันนี้มีอะไรไหมอ๋อมีค่ะก็ท่านให้การบ้านให้การบ้านไปสวดเอ่อสติปัฏฐานสูตร ก่อนนอนเพราะตองก่อนเนี้ยสวดอิมติบิโสแล้วก็ชินนันบัญชรแต่พอคุยและท่านบอกว่าให้สวดก็เลยเปลี่ยนโอ้โหท่านเอ่อคือว่าเยอะมากเลยเพราะตอนแรกสวดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยใช้เวลาสวันนะท่านก็คือแบ่งสวดย่อยๆตอนนี้ก็คือจัดจัดได้แล้วก็คือประมาณสองวันตอนนี้ก็เลยเหลือแค่สวดภาษาไทยก็คือสวดเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อก็เลยมีคําถามนิดนึงนะคะท่านก็คือว่าอันแรกคือว่าพอสวดทั้งหมดแล้วเนี้ยมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าจะถามท่านว่า สิ่งที่เราทําคือฝึกสติแล้วก็ใช้กายะมหาอะไรเนะี่ยกายกายใช่ไหมคะสติกายก็คือดูล ม, มดูลมแต่ว่าในนั้นมันมีแบ่งเป็นหอันก็คือว่าแปลว่าเราทั้งสติปัฏฐานสูตรคือเราจะต้องรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะท่านคือจากลมแล้วก็มาเป็นเป็นการเดินเป็นดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังเป็นสมาธิอยู่ใช่ไหมคะคือในสติปัฏฐานส<ม>ีเนี่ยมันครบหมดทุกอย่างเลยอะท่านก็เลยงงคือเวลาไม่ได้นั่งก็ให้ดูล่างกายกายกัตตาสติ เวลาเดินเวลาเวลานั่งเวลานอนให้รู้ทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวให้จิตเกาะติดอยู่กับอิริยาบถของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติแล้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเขา้าออกอนาปนาสติอันนี้ขั้นสตินะขั้นสติขั้นสมาธิ น, นั่งดูลมเพื่อให้จิตรวมเป็นอ น, นาสมาธิ พอได้ปนาสมาธิได้อุเบกขาเวลาออาจากสมาธิมาก็ให้มาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายเก่อนแก่เจ็บตายก่อนก็คือทําอีกสาอันก็คือพิจารณาจิตแล้วก็ทําทํำทำมันก่อนสิเราไปก่อนเอาร่างกายเอาเอาร่างกายเอาอันแรกก่อนเพราะท่องแล้วเริ่มงงงงค่ะผ่านร่างกายให้ได้ก่อนพิจารณาร่างกายปล่อยวางร่างกายให้ได้ <Okay. S 2> วางร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Okay. S 2> แล้วพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยงามมีอาการฐานสิบสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันเป็นต้น mm hmm. แล้วก็พิจารณาว่าเป็นดินน้ำลมไฟในในกายในภาคของกายนี้จะมีเรื่องราวเหล่านี้ <Okay. S 2> แล้วก็มีซากศพสิบชนิดร <Okay. S 2> ่างกายเวลาตายไปแล้วจะมีกระดูกเท็ท่อนๆเป็นผม เป็นศพเน่าเน่าพองเขียวช้ำแล้วก็มีน้ําเลือดน้ำหนองอะไรหลายย่อยออกมามีหนอนชมีแรงกามากัดนี่กระดูกเป็นท่อนๆกระจายไปเลยสมัยโบราณก็ไม่ได้ฝังก็ไม่ได้เผาเขาทิ้งร่างกายไว้ในป่าชาพราก็ไปพิจารณาดูร่างกายเหล่านี้แล้วก็ปอกว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ นี่อย่าไปหลงไหลกับความสวยงามของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครมันก็เป็นกันมันก็เป็นซากศพดอนได้ติ น, น้ำบนไฟอันก็เป็นอาการ32ผมขอนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยพิจนารณาร่างกายไปเรื่อยๆจนมันชำนาญมันเห็นร่างกายใครก็จะเห็นครบอาการ32 เห็นเป็นกัดแก่เจ็บตายเห็นเป็นดินน้ําล ม, มไปเอเห็นเป็นซากศพอย่างนี้แล้วมันก็จะตัดกิเลสต่างๆได้แต่รู้สึกว่านั่งแล้วนิ่งขึ้นอ่ะพระอาจารย์ก็คือพอพอสวดยาวแล้วเราพอสวดยาวหนูว่าเ อ, อคิดว่าเป็นอุตรายพระอาจารย์หรือต่อที่ให้สวด ย, วยาวๆพอสวดยาวมันเหมือนจะนิ่งขึ้นแล้วก็พอนั่งสมาธิต่อมันก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์เอ่มันขึ้นแลมันทั้นั้นไอ้เรามีสติไง ส่วนแล้วเราก็จะมีสติแล้วเราก็เวลานั่งสมาธิก็นั่งง่ายง่ายขึ้นง่ายขึ้นถ้าเริ่มนั่งเลยนี่สติมันยังไม่มีกำลังเพราะเรามัวแต่ไปทำงานใช้ความคิดพอมานั่งจิตก็ยังฟุ้งอยู่แรมมาสวดสติปัะฐานง่าหน่อย ครับสวดคำแปลได้ยิ่งดีจะได้เข้าใจขอสวดคำแปลนะคะอาจารย์ตอนแรกสวดสองอย่างมันยาวมากเลยก็เลยตอนหลังก็เลยขอสวดแต่ภาษาไทยเอาภาษาไทยอย่างเดียวก็พออ๋อขนาดย่างงั้นจสบายมากเพราะว่าตอนแรกสวดสอย่างโอ้โหแบบใช้เวลาสมชั่วโมงท่านแบบเยอะมากเพราะมันนานพอสวดภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าเออมันถ้าสวดภาษาไทยมันจะมีสมาธิกว่าเพราะว่ามันเข้าใจไงพอสวดภาษาบาลีบางทีมันแบบมันไม่เข้าใจก็สวดผีผีถูกๆูก็ต้องมาเก็งอย่างงไนจะได้สวดภาษาไทยอย่างเดียวใช่ แล้วถ้ามันถ้ามันซ้ําๆกันก็ข้ามมันบ้งางก็ได้อ<ต>๋อค่ะแลก็ ม, มันจะซ้ํา<ะ> ไ, ไม่ข้ามันก็ได้แล้วแต่จะได้ม ไ, ดไม่ฆ่าก็เพื่อจะได้ฝึกสตินะคะฝึกฝึกสติได้<ว>คิดจะได้หยุดความคิดไว้ก่อนเจ้าค่ะเพราะตอนนี้ตอนเช้าก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็ตอนบ่ายก็พยายามฟังพระอาจารย์คือถึงแม้อยู่ข้างนอกก็พยายามฟังอาจจะฟังเล่นไม่ทำสมาธิบ้านแต่ว่าก็ยังพยายามฟังเพราะว่าจะทํา ต้อเช้าวังวันแล้วก็ตอนกลางคืนพระอาจารย์จะได้ฝ<ช>ึกกำลังสติเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะ<ช>คิด<ช>ว่าจะพาครอบครัวไปหาพระอาจารยน์น้อยก็เป็นเรือลักรั้งอะฮไปตลอดได้ผล <จะ S 1> ดีไ ด, ได้ผลดีพร<ด><ด>ะอาาน เพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปหาพระอาจารย์นะคะมันมีปิติเลยนะคือคือจริงๆแนละ้วตัวเองก็ฝึกเองมาตั้งนานแล้วคืออ่านตังซื้อฝึกแต่มันก็เหมือนกับว่าแล้วก็ทํำไปล้วก็ไม่รู้คืออ่านอ่านเยอะนะพระอาจารย์แต่มันมันคำตอบบางอย่างไม่รู้แต่พอไปฟังพระอาจารย์คราวนั้นนะ่ะมันเหมือนแบบพอฟังตามที่พระอาจารย์พูดปุ๊บเนี้ยมันดิ่งแล้วน้ำตาไหลปิติมันรู้สึกเลยว่าอันนั้นมัน คือเข้าใจคำว่าที่เหมือนกับว่ามันจะรู้เองมันเหมือนมันเป็นคณิกะมันมันเหมือนน้าตาไหลแบบคื อ, อประทับแบบมันดีมากๆเลยปิติมากๆเลยวันวันแรกที่ไปหาพระอาจารย์นีคะกลับมาก็เลยมาทําต่อก็ ก, ก็เนี่ยก็เข้าสู่มาตั้งแต่วันนั้นนะเขาแล้วก็วเขาแล้วเจอเข้าสู่พระอาจารย์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเวลาท่านแนะนําหรือว่าท่านให้กันบ้านอะไรมาก็พยายามไปทํามันจะได้ก้าวหน้าเพราะเพราะตอนที่ทำวันเนี้ยคือไม่มีปัญหาอะไรไงพระอาจารย์คือไม่ได้มีปัญหาอะไรอาเป็นขั้นเป็นตอนอย่าเอาไปเหมาหมดค่ะ การทำทีละอย่างสติสมาธิแล้วก็ปัญญากล้า่างกายก่อนแล้วก็เวทนาแล้วค่อยไปจิตเป็นขั้นๆไปไม่ได้ให้เหมา ท, ทําทีเดียวพ ร, <ด>ร้อมหมดอ่านโ่ว่าให้ทำรวมกันหมนไม่ใช่หรอกนันเป็นหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่ต้องเป็นเหมือนปีนี้ปีหนึ่งเรียนร่างกายปีสองเรียนเวทนาปีสามเรียนจิตอะไรทั้งนี้ เพระอาจารย์พูดง่ายอ่ะอาจารย์พูดถึงปริญญาใบที่หนึ่งขอเรียนพระศาสนาเป็นปริญญาใบที่หนึ่งจะเป็นโสดาบันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าพระอาจารย์อธิบายเพราะตัวเองเข้ามาในธรรมะตอนแรกเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่เคยเข้าใจนะพระอาจารย์แต่ว่าเข้าใจหนังสืออันแรกอ่ะก็คือมาจาก The Power of Now ของ The Power of Now ของ Eckhart Tolle พระอาจารย์คืออ่านแล้วรู้สึกเออจู่ๆขนาดเขาอธิบายง่ายเนี่ยแล้วพอมาฟังพระอาจารย์อ่ะพระอาจารย์อธิบายง่ายอะมันเหมือนธรรมะมันดูง่ายอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมีกําลังใจฝึกค่โอเคดีมาก มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวไปทําต่อแล้วมาถามใหม่ค่ะจ <Okay. S 2> <laughs> งั้นเดี๋ยวไปที่ท่านกนไอโฟน5ซีไอโฟ5ซีอ่หมีไมโครโฟนหน่อยอยู่ที่ไหนวันนี้ไ ม, ไม่เคยเข้าไ ม, ไม่เคยเข้ามาั้งแรกใช่ไหมคือ อ, อ่ลูกก็เข้าฟังอยู่เนืองๆนะเจ้าค่ะเพีย ง, ง, ง, งแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเอ่อได สนทนานะคะเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่พระอาจารย์อให้ข้อทําคําสอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ขับรถกลับบ้านนะคะพอดีวันนี้ลาพักร้อนนะคะหนูก็มาหาเพื่อนปกติอยู่กรุงเทพมาหาเพื่อนที่จันทบุรีอะคะ่ะแล้วเวลาเดินทางไปไหนอะคะ่ะก็มักจะเปิดธรรมะของพระอาจารย์เพราะของพระอาจารย์ก็จะสองชั่วโมงะคะ่ะเวลาลวกเดินทางไปไหนเวลาเปิดธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะก็แบบเรู้สึก ได้ข้อทําไปด้วยแล้วก็รู้สึกขับรถก็ระมัดจริงๆคือแปลกคือตัวเองก็ขับรถได้อย่างมีสมาธิอะค่ะรู้สึกมีกําลังใจด้วยค่ะ mm hmm. ทีนี้วันนี้ะค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมีคําถามอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนเขายังไม่เคยเข้าใจว่าซูมเป็นอย่างไรก็เลยได้ทําตัวยอย่างให้เขาดูแล้วก็มาก็พบผพ้าจารนพอดีงั้นขอน้อมคําถามหนึ่งนะคะว่าเออ่ในชีวิตการทํางานเนี่ยคะ่ะก็เห็นว่า น้องๆในทีมมาค่ะก็จะขาดสมาธิแล้วก็ทําให้การทํางานผิดพลาดแล้วก็พยายามพูดให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิอะค่ะแต่เหมือนยากมากเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์จะมีคําแนะนํำไหมคะว่าทํำยังไงให้คนที่ยังไม่ได้สนใจฝ่ายรู้ในเรื่องนี้ให้เขาแบบสนใจในเรื่องนี้จริงๆเขาเห็นโทษอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าการเริ่มต้นเขาไม่ค่อยจะโน้มน้มนำง่ายสักเท่าไหร่นะเจ้าค่ะ ก็คือความจริงคาว่าสมาธิที่คุณพูดถึงนี้หมายถึงสติใช่ค่ะใช่ค่ะสติไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยต่อเนื่องใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับการงานทำงานไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีทำงานก็ผิดพลาดนั้นต้องดึงใจบังคับใจให้อยู่กับร่างกายอยู่เรื่อย ไปเฝ้าดูการเคลื่อนไวหวการกระทําต่างๆของร่างกายมั น, นี่ว่าการฝึกสติที น, นี้มันก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะศรัทธาหรือไม่ถ้าเขาไม่ศรัทธาก็ช่วยไม่ได้ไปบังคับกันไม่ได้เจ้าค่ะก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ของอเจ้าค่ะฝึกสติทํางานก็ไม่พลาดเมื่อไม่พลาดทํางานได้ผลดีเดี๋ยวก็ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง จะค่ะถ้า<ข>ทํางานติดผิดถูกๆก็จะไม่ได้เลื่อนขั้นดี่ดีอาจจะถูกขั้ออกไปด้วยจะค่ะถ้าอาจารย์ขาแล้วเวลาขับรถเปิดฟังธรรมะถือว่าไม่สํารวไมไหมเจ้าคะคือมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเพราะเราต้องคอยดูรถด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยดังนั้นบางทีมันก็จะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นตไม่ได้ธรรมะร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังก็ยังดีกว่าฟังเพลงบาง ข่าวการเมืองหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าอยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นอย่างใดอย่างหนึ่งต้องถ้าจะขับรถก็ปิดเสียงทําไปคอยเฝ้าดูรถตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการฝึกสติไปหรือถ้าอยากจะฟังทำก็จอดรถแล้วก็เปิดฟังแตถ้ามันเป็นไปไม่ได้อยากจะได้ครึ่งครึ่งก็โอเคขับรถไป oh. แล้วก็ฟังไปด้วยอันนี้ก็ ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคิดว่าการขับรถของเรานี่เราควบคุมรถได้ปลอดภัยก็โอเคเจ้าค่ะงั้นลูกมีเรื่องถามเพียงเท่า น, นี้เะ้าคะกลับขอพบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้อยู่ที่จันทบุรีเหรอตอนนี้ยังอยู่ที่จันทบุรีคะ่ะแต่ก็จะกลับกรุงเทพสักอีกสองวันวันนี้ตอนขับรถมาก็พุทโธพุทโธเพราะว่าลุ้นนะคะรถคือขัดคือขัดขนิดหน่อยเจ้าค่ะแล้วก็มาถึงก็ปลอดภัยแล้วก็ เห็น notification ขึ้นมามีค่ะจาร์พอดีรู้สึกเป็นบุญมากเจ้าค่ะก็เลยได้ถือโอกาสกราบจ่าเจ้าค่ะมีได้พบกันจดจำนะพยายามจะให้มีตามวันพุธนี้เป็นหลักนอกจากว่าถ้าไปตรงกับวันหยุดเราต้องเทศสางกลงวันแล้วก็เหนื่อยก็อาจะต้องข้ามไปขึ้นมาก่อนแล้วถอยเป็นทีหลัง วันไหนที่มีเทสวันไหนที่ต้องเทศกทำงันนี้มันมันหมดแรงแต่ตอนคข้ามต้องมาเทศต่อยก็มันไม่ไหวโอพระอาจารย์งอมและฝากพาดขันด้วยนะเจ้าค่ะน้าซาเทิจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณเองน้าเชียงรายอันนี้ไมโครโฟนกลับมาวสการพระอาจารย์ครับผมอ่าเป็นยังไงพระอาจารครับครับพระอาจารย์สบายดีนะครับผมมาดีจ้า ครับเอ่อผมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับพระอาจารย์ตอนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าเอ่อเออแต่ช่วงนี้ทํางานตอดกลางวันเยอะไว้ก็มีมีเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธินั่งได้ไม่นานนะครับพระอาจารย์แต่มันก็มันก็เบาอยู่นะครับพระอาจารย์เดี๋ยวมันนั่งไม่นานประมาณสิห้านาทีก็มันจะหลับครับพระอาจารย์น่าะจะเนื่องมาจากทํางานะนะครับเนาะถ้าหาสตามันก็ไม่มีเวลาหาสติ อาจารย์หาเศษถึก็ต้องไปหาซางานก็คือคือผมผมอะ่ะไปช่วยเ อ, อสร้างรั้วที่วัดครับไปช่วยเอเจาะรูแล้วก็ดึงรั้วดึงอะไรที่วัดนะฮะเป็นวัดสายป่าครับพระอาจารย์ก็ยืนทั้งวันเออก็ตอนเย็นมาก็เหนื่อยอครับอืมอือมเออพอดีท่า <ำ S 1> ครับผมทําไปครับผมเออพอดีผมเออ จะขอพระอาจารย์เมตตาช่วยเออธิบายอลักษณะโดยทั่วไปอะฮะของที่ว่าคนที่ติดสมาธิอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์จะส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบแบบไหนอะครับพระาอาจารย์อ๋อส่วนใหญ่ไม่มีหรอกส่วนใหญ่ส่วนใหไ ม, ไม่มีมนะครับทร่จูบิดกันเลยโอ้ค่ะหมายถึงคนที่ได้อัปปนาสมาธิแล้วก็ชอบเข้าแต่อัปปนาสมาธิไม่เอาทางปัญญาครังนี้เรียกว่าติดสมาธิ อ๋ออ๋อต้องต้องลิกถึงอัปนาสมาธิใช่ไหมครับเพราะในอัปนาสมาธิมันมีความสุขไงเอาสมาธดีกว่าออกมาจากสมาธิแล้วมันเจริญปัญญาเจริญปัญญามันต้องคิดไงการเรียนเคิดออไม่อยากจะคิดครับเพราะฝึกสมาธิเพื่อหยุดคิดไงพอหยุดคิดแล้วมันมีความสุขเนว่าความสุขจากสมาธิมันเป็นความสุขชั่วคราว ออกจากสมาธิมามันก็เริ่มคิดมันก็ฟุ้งซ่านก็เลยกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก<อ>ารที่ใช้ปัญญาแก้ความฟุ้งซ่านครับผม ม, มีอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาในจิตจะมีกําลังพิจารณาตายรักได้พิจารณาร่างกายพิจารณาลรกเสียงกล็ดนัดต่างๆได้การพิจารณามันกระจายมันก็จะสงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ อือเวุ่นวายกับเสียงเขาพิจารณามันเป็นตายลักเสียงด่าเสียงชมมันก็เป็นไตลักพันักตาฟังคับเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขาชมไปแล้วก็ฟัง้ไปนิเฉยไปคได้ปัญญาแล้วจิตจะมีพลังไม่ต้องกลบเข้าไปในสมาธิโอ้ข้าผมอืมข้าผมข้าผม อาจารยนี้ยังไม่นําคำว่าเรื่องติดสมาธิยังไม่มีสมาธิจะไปติดนะจะติดได้ไงครับไม่ติดรุ่มผมไม่ตมากกว่ามั้ครับก็ผมก็ฝึกสติอยู่อยู่เออแทบแบบถ้าเกิดรู้ตัวก็ก็จะหันมาพูดโทพูดโทแต่บางทีบางทีครับอาจารย์บางทีของผมคือบางทีมันจะมีบทสวดที่ผมชอบอะครับอาจารย์เออถ้าปกติ ถ้าไม่ได้นึกอะไรมันก็จะขึ้นมาเองอ่ะฮะพระอาจารย์มันก็จะขึ้นมาเองะะกันก็ใช้แทนใช้แทนพุโทโธได้ไม่ว่าเป็นธรรมานุสติบทชวนมันก็เป็นธรรมะครับ<ม>บางทีถ้าเกิดเออเหมือนกับว่าเ อ, อผมพูดจบไปอย่างเงี้ยเวลาแบบขับรถไปหรืออะไรมันก็จะขึ้นมาเองอ่ะฮะเป็นอาจจะขึ้นตน้นท่อนกลางหรือว่าท่อนต้นเลยอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติด้วยหรือเปล่าครับพระอาจารย์ ก็ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับบทสวดนนะั mm ้น hmm. ก็ก็เป็นการจเจริญสติโอครับผมครับผมโอ้งั้นงั้นแสดงว่าคือมันสวดเองคนระับผมผมก็แปลกเหมือนกันนะครับอาจารย์ขอให้มันสวดไปเรื่อยๆไม่ใช่สวดปุ๊บนะลแล้วก็ไปคิดเรื่องโเรื่อ ง, งนี้ต่ออครับผมไม่หรอกครับบางทีแบบบางทีมันก็ขึ้นมาแบบว่าเพราะผมผมเออจะสวดพระมหาจั ก, กรพรรดิอย่างเงี้ยพระอาจารย์บางทีมก็ขึ้นมาเอง น้โมพุทธายาอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยอ่าครับผมก็เออก็ปล่อยปล่อยไปก็ไม่ได้คิดอะไรครับพระอาจารย์ก็สวดยอมมันไปโอ้ครับผมครับผมอืมครับผมสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีอะไรจะสั่งสอนเพิ่มเติมไหมครับก็นี่แหละให้หาสติอย่าไปหาสตางคนะ์ทำกิจการเท่าที่จำเป็นเอาสตางค์ยง <c oughs> ป่าเลี้ยงท้องก็พอก็ <c oughs> ที่จริงผมก็ จริงๆผมใจจริงๆลึกๆผมก็อยากจรลาทั้งโลกอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมติดภาระที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ครับอาจารย์ก็คุย <ไป S 2> กับภรรยายไวก้ก็ก็พยายามทั้งโลกก็พยายามแบบว่าให้ให้ให้เหลือแบบน้อยๆอ่ครับปุกประมาณมว่าพอใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรประมาณประมาณนี้นก็ไม่ได้ทุ่มไปเยอะเพราะว่าผมก็จะห้าสิบเรื่องเนี้ยครับ ก็อยู่ทางโลกมามันก็เยอะแล้วผมก็คิดอยู่นะครับอาจารย์อืมมหาทำเรื่อมหาสติดีกว่าอยไปหาสตางค์เลยถ้ามันงอกินแล้วก็รลดน้อยลงไปไม่ต้องทํามากครับผมใช่ครับใช่ทำสติดีกว่าสติมีคุณค่ามากกว่าสตางค์ครับผมครับผมสาธุครับพอาจารย์นองนดับทุกข์ไม่ได้ครับผมใช่เขาดับทุกข์ไม่ได้จริงๆเลยครับครับผม ครับผมน้อมปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระอาจารย์ครับย่าเลื่อนนะตืนนะอย่านะอาจารย์นะครับผมครับผมพระอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงครับผมคุณนอร์ดี้บทคำนำคุณนอดี้จากนาเกลือเป็นยังไงจับนมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีอะไรครับวันนี้มาฟังดีไม่มีะนะอ่าได้งั้นเขาเลื่อนไปท่านต่อไปเลยนะ รูเสร็จคนร่วมร่วมพรใช่ไหมร่วมพอรอ่าปัด uh, เสียงก่อนอที่ไหนอันมิวก <Un view. S 2> ราบค่ะจากกรุงเทพค่ะเอิญมีอะไรไหมมีค่ะมีก็บางทีถามท่านบ่อยๆก็เกรงใจเหมือนกันอ๋อไม่เวลานี่มาเพื่อให้ถามเนี่ยยังามด้คื อ, อเมื่อเรา ดูภายในจิตของเราข้างในแล้วอะนะคะคราวนี้เราก็เห็นว่าบางทีเนี่ย เ, ออเราเราง่วงนะพอมองดูเข้าไปจริงๆแล้วความง่วงมันก็หายไปได้เลยนะคะอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะก็เราได้สติกลับมาเนี่ยพอเราดูจิตก็แสดงว่าเรามีสตินะค่ะแล้วความง่วงมันก็หายไป ใจมันก็เติบขึ้นมาได้ฮ่าไม่งั้นก็จะเป็นคนขี้ง่วงแล้วก็นอนเยอะอืมแต่พออไม่นานนี้พมมองย้อนว่าอุ้ยทำไมหายง่วงเลยอ่าก็ได้สติขึ้นมาไงได้สติขึ้นมาอ่ะอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะค ะ, ะแปลว่าถ้าเติบ ก, ก็ใช้ได้ อ, อะถ้าทําอย่างนี้แสดงว่าเราทํามาถูกต้องแล้ว ก็คือให้มันไม่ง้อแล้วก็ต้องต้อ ง, องไม่พุ่งด้วยนะต้องสงบนะค่ะงงก็เพิ่งเรียนถามท่านก็เพิ่งเข้าใจคราวที่แล้วค่ะว่าจุดประสงค์การทำก็เพื่อมันไม่ให้เกิดความนึกคิดขึ้นมาอืมใช่ค่ะคราวนี้คิดกินแล้วมันไม่สงบค่ะคิดแล้วมันบาง ค, ครั้งนะคะวุ่นวายใจใช่ค่ะ ท่านคือเคยกราบเรียนถามท่านว่ามันเหมือนบางครั้งมีอะไรหมุนหมุนอยู่นะข้างในคราวนี้หอมาสังเกตช่วงหลังนี้ว่าถ้ามันหมุนนะมันหมุนแล้วนะมันจะไม่ค่อยคิดละแต่ถ้ามันไม่หมุนเนี่ปล่อยปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คิดแต่ถ้าเราหมุนหมุนมันไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนกับเรามีงานทําอยู่กับมันอ่ะมันก็ไม่คิด ก็ดีก็ดีถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้ดไดดไดค่ะวิธีนี้อาจจะไ ม, ไม่ไม่ไม่เหมือนกันทุกคนใช่ไหมอ่าแต่มันมันจะรวมได้ป่ามันจะนิ่งได้ป่าอีกเรื่องนึ่งนะถ้าจะให้มันนิ่ง ต, งต้องต้องต้องให้มันอยู่จุดเดียวค่ะคราวนี้พอที่ท่านเคยพูดอ่ะค่ะก็เลยมาลองทาดูไอ้ที่มันเหมือนเป็นก้อนกลมหรือก้อนยาวๆหมุนเนี่ยนะฮะ ก็บางทีนะท่านบอกให้อยู่ว่างๆโพดูปั๊บเนี่ยไอ้ก้อนนี้ค่อยๆลดๆๆๆจนเหลือเป็นจุดดำแล้วเดี๋ยวนี้จุดดำก็ไม่มีแล้วมันอยู่ว่างๆมางเป็นให้มันว่างมันอยู่กับความว่างอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ไหมคะอยู่กับความว่างแต่เาไปอยากเวลามันมีอะไรก็อยากไปอยากให้มันไปหายแต่บางทีมันไม่ไปมันไม่หาย ทันทูนะฮะไม่ไม่คอยได้ยินเราอย่าไปอยากเวลามันมีอะไรโผล่ขึ้นมา<อ>ถ้ามันไม่ว่างก็ดูไปเฉยๆค่ะอือแสดงว่ามันเราลราถ้าดูลมได้จะดีกว่าดูลมนี่จะมันจะมั่นคงกว่า<อ>ดูจิตนี่มางทีจิตมันหลอกเราได้นะจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกนิฉันก็ดู ทอคุณจะไม่สงบ ม, ม, มันอาจจะนิ่งเป็นพักๆ พ, พ, พอมีสติดูมันมันก็นิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายนิ่งมันก็ไปใช่ค่ะอ่าก็ต้องคอยดูลมดีกว่าอย่าไปสนใจจิตแล้ ว, แ ล, วแล้วกับพุทโธนี่ต้องเลือกลมมากกว่าพุทโธแเรารเอาเอาอย่างใดก็ได้พุทโธก็ได้ดูลมก็ได้ แ, แต่เราจะชอบเราถนัดอะไรเราก็เอาอย่างนั้นก็ได้อ๋อค่ะ แล้วคราวนี้ขอกราบเรียนถามอีกฮะอีกข้อหนึ่งจะได้ไม่กินเวลาคนอื่นคือบางทีเนี่ยเราก็ทําจิตของเราให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครอบตัวเราก็ได้นะแล้วบางทีทำอยงี้ก็ไม่ดีถ้าทำอย่างนี้มันไม่สงบเราไปเล่นกับจิตใช่ไหมโอ้ oh. เราเล่นกับมันมันสนุกแต่มันไม่มีความสงบใช่นนแต่มันไม่สงบใช่ไหมืองทีเล่นเนี่มันใหญ่ท่วห้อง อ่าที่เราอยู่โอเคค่ะอย่างงั้นแม่ไม่ไม่ไม่เสริฟไม่ทำอ่าอย่าไปทําให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมอย่างเดยวเพราะจิตมันจะได้นิ่งถ้าไปอยู่กับจิตมันไม่นิ่งเพราะจิตมันจะมีเราจะไปเล่นกับมันคืออย่างนี้ก็ยังแปลว่าจิตมันยังไม่รวมใช่ไหมคะท่านยังไม่รวมถ้ารวมมันจะมันจะอัศจรรย์ใจมันจะอัศจรรย์ใจแต่มันมีความสุขดีนะคะ มันสุกแบบเพลินมันสุกแบบสนุกมันไม่ใช่ตอนเวลาเล่นนะคะคื อ, อเวลาที่นั่งสมาธิบางครั้งก็ตั้งไอโฟนไว้ว่าอ่ะเรานั่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอย่างมากนะค ะ, ะแล้วมันก็จะสุกสุกสุขสุขมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอนมันสุกมันสงบก็โอเคนะอันนี้ก็แล้วอย่างนี้มันเรียกรวมหรือยอย่างนะท่าน อไอ้ที่บอกว่าพอเรามีความสุขขึ้นมาได้อย่างเนี้ยเรียกว่ามันต้องนิ่งมันต้องนิ่งถ้ามันไม่นิ่งยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิมันมต้องสักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่มีอะไรว่างจิตว่างจิตเบาจิตสบายไม่มีรูปเสียงไม่มีอะไรมาให้จิตดูไม่ใหจิตมาเพ่งมาเล่นเงี้ยถ้ายังมีอยู่นี่ยังใช้ไม่ได้ เข้าใจแล้วค่ะการขอบนะคะเท่านี้ค่ะท่านบิณฑรมีอะไรไหมคือคงจะถามท่านเหมือนคนอื่นแล้วนะว่าท่านแนะนําจะให้นอกจากว่าให้ดูให้อยู่แบบว่างๆดูจิตอย่างว่างๆแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็ถ้าอยากจะพิจารณาก็พิจารณาร่างกายว่าเป็นเย็นน้ําลมไฟอันนั้นก็ตายไม่ใช่ตัวเรา ใช่ใช่เดี๋ยวตรงกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟค่ะตอนเหมือนคราวที่แล้วที่เคยกวาบเวียนแล้วนะอ้าวไปรดน้ำศพแล้วนะก็ดูนิ้วมันก็เป็นดินปั้นแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็มีอีกต้องไปอีกงานเนี้ยไปดูหน้าเขาคราวนี้เราไปงานของเราต่อไปก็ไปงานของเราก็นึกเหมือนกันค่ะแต่ในขณะนั้นเลยนะคะนึกถึงงานของเราด้วยว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น่ะ มันก็คงต้องถึงสักวันแต่ว่ามันจ ะ, มจะได้ไม่ไปกังวลกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้า<อ>มันลืมความตายมันมักจะไปกังวลไปห่วงคนนั้นคนนี้คราวนี้พอเราดูคนที่ตายปั๊บเนี่ยนะคะอีกงานหนึ่งคราวนี้ไม่ได้เร็คทอกไหนว่าเขาคือใครละแต่ดูว่าเขาเหมือนกับเออเขาเขาเหมือนดินปั้นเราอยู่นอนในเรื่องโล่งอะนะดูะแค่นี้อ่ะไม่ได้เร็กอกไหนเขา เป็นเตุ๊กตาตัวหนึ่งค่ะฮะดูแค่นั้นเองค่ะอย่งศพแรกเนี่ยก็ดูเห็นว่ามือเนี่ยเป็นดินปั้นที่ท่านบอกว่าให้ระลึกบ่อยๆเรื่องนี้แล้วต้องกลับมาดูที่เราด้วยเราก็เหมือนเขาเราก็ดินปั้นเหมือนกันไม่ใช่เขาร่างกายเราก็เป็นเหมือนเขาเลยฮะรู้สึกว่าไม่ใช่ดูของเขาแล้าว่าเป็นดินปั้นแต่ของเรายังไม่เป็นดินปั้นยังเรยัง <laughs> เป็นตัวตนเนี่ยคราวนี้มองดูนะฮะก็ ตั้งแต่ทํามาก็เราก็เพิ่งเรียนรูเลยนะว่าเราเนี่ยมันก็เหมือนดินน้ําลมไฟถึงเวลาก็คงต้องไปมันแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องตายนะแต่เดือนนี้คิดว่าเออมันโตแล้วมันก็ต้องแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บอ่ะแล้วมันสักวันหนึ่งก็คงต้องตายอ่ะพร้อมนะนะพร้อมหรือเปล่าถามใจถ้าตอนมีสติอยู่นั้นดิฉันว่าพร้อมนะฮะอ ต้องพร้อมทุกเวลาเพราะมันไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างคนบางคนที่เสียชีวิตที่ไปอ่ะเขาก็อายุน้อยกว่าต้องแปปีไม่มีใครคิดว่าเขาจะตายแล้วคนส่วนใหญ่เวลาตายใช่แต่ว่าพอไปดูไปดูแล้วก็พระเจ้านะให้เราเห็นความจริงจริงนะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยนะว่า เราเนี่ยจะต้องอยู่กับความจริงเราก็รู้แบบธรรมดาคนเรามันก็ต้องตายอะไรอย่างนี้แค่นั้นนะคะแต่ว่ามันนึกถึงโอ้นี่เป็นความจริงที่เราเพิ่งรู้แบบถึงในใจเรานะว่ามันต้องตายจริงๆให้มันถึงใจต้องพิจารณาให้มันถึงใจให้มันเข้าใจถึงบอกว่าให้รู้เป็นของไม่ใช่ของเล่นนะมันเหมือนกับอย่างนั้นมันเหมือนกับ หลอกหลอฝันฝันไปดูหนังมาว่าคนต า, น, ตานตายมันตายมันก็ต้องตายอ่ะนะแต่พอแล้วจริงจริงอ้ะนันมันเป็นความจริงที่บอกให้รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรองค์โอปะนัยโกพระเจ้าบอกน้อมเข้ามาที่ตัวเราค่ะคงต้องน้อมหมดทั้งสามีทั้งลูกทุกคน<ล>ะะนะไม่มีใครไม่มีใครเป็นตัวตนหรอกเป็นเรนน้ำรวมไฟใช่ไหนนะแต่คล้ายๆพอเรานึกอย่างนี้ อาการที่เราจะอะไรอาวอนหรืออะไรมันก็น้อยลงนะสอนตัวเองบ่ <ไป S 2> อยๆแสดงว่ามันเห็นความจริงมันยอมรับความจริงแต่ถ้าเห็นว่าการหดหู่ใจแสดงว่าจิตมันานไม่ใช่ท่านคือเคยเคยที่บอกนั่งแล้วก็เออมันก็จิตมั่งว่างหยูอนะแล้วก็ดูไปจิตเรามันก็เฉยๆนะเสียงมามก็เฉยๆแต่ก่อนนะ จะหงุดนงิดค่ะท่านว่าเออมีเสียงทำดังเนี่ยเราไม่ชอบใจเดี๋ยวนี้อักเฉยเดี๋ยวมันก็ไปอโอเคนะอเอาแค่นี้ก่อนน ะ, ะให้คุณกาวพูดบ้างค่ะใช่ใช่กราบขอบคุณค่ ะ, ะคุณสารินทอนท่านต่อไปจากแมรี่แลนดซิบูสเปนิม ค่ะพระอาจารย์กับมรสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะค่ะแลว Silver Spring ร่า s e r s n g ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อากาศดีดีค่ะพระอาจารย์อากาศดีมากค่ะดีค่ะอยอกชมยอมชอบแบบเย็นเย็นนะคะนอนสบายกิเลสปุ้งไปหมดไงก็ พอหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์ที่โยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังเรื่องลูกสาวของโยมนะคะโยมก็ปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าคือถึงแม้จะรู้ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเรามันไม่มีอะไรแต่ใจโยมก็ยังไปยึยดมั่นถือมั่นอยู่กับความห่วงความกังวลที่มีกับครอบครัวที่มีกับลูกที่มีกับพ่อแม่แล้วโยมก็ เหมือนกับรู้สึกแย่ตรงที่ว่าเราพยายามเข้าใจพยายามปฏิบัติธรรมแต่ใจเราก็ยังไม่ยอมไม่ยอมรับสักทีหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราไปหลงยิบอะไรโยาไม่พิจารณาความตายพิจารณาความตายอยูเ่เรื่อยๆทั้งขาวทั้งเราพอทายแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะแต่ว่าโยมก็เลยเหมือนกับพอโยมรู้ว่าเออโยมเหมือนปฏิบัติทุกวันนะคะพระอาจารย์แต่ว่า เหมือนเรารู้สึกว่าเราอะ่ะช้าเราอยากปฏิบัติให้ได้มากกว่านี้เมื่อพอลูกไม่อยู่เนี่ยตอนนี้โยมอยู่คนเดียวค่ะโยมก็แค่ทำงานแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอาทิตย์ที่ผ่านมายงมก็เลยทำมันทั้งวันเลยค่ะก็ปฏิบัติทำอยู่ประมาณหกชั่วโมงกว่าวันนั้นพอทำเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสติมันมันมั น, ม, นมันแน่นขึ้นอะคะ่ะอาจารย์ รู้สึกว่าการกําหนดอิริยาบถย่อยนี่มันชัดเจนไปเรื่อยๆได้ตลอดเวลาแล้วเวลาตอนนอนสติก็ตื่นมากขึ้นตื่นตื่ น, นมากขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนเราเห็นนิมิตว่าตัวเราอ่ะมีตัวอะไรทั้งนั้มาเกาะ อ, อยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ไอตัวที่มาเกาะ อ, อยู่ข้างหลังนี่มันมันแน่นมากมันหนักแน่นมาก แล้วเราก็มองไปเราก็แบบอ๋อกิเลสมันคือกิเลสที่แน่นมากแล้วมันก็คือกิเลสที่พยายามที่จะให้เราหมุนไปตามทางที่เขาบังคับบังคัาจารย์เหมือนเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่ากิเลสเป็นตัวควบคุมเราแต่พอเราเห็นอย่างนั้นเราสักพักหนึ่งตัวเราก็หลุดออกมาโยมก็ถามตัวที่หลุดออกมาว่าหลุดออกมาได้ยังไงเขาก็บอกว่าอ๋อก็เขาไม่เอา แล้วเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของเราเขาก็เลยหลุดออกมาได้อะคะ่ะพระอาจารย์พอพอยมฟังเขาพูดอย่างนี้เสร็จยมก็คิดว่าอ๋อความทุกข์ของเราก็เช่นกันคือคนเราทุกคนมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เพราะไปยึดเหนี่ยวกับอะไรเงี้ยคะ่ะยมก็เลยยมก็เลยเหมือนกับว่าเออเราต้องเรียนรู้ว่าเราไม่ยึดเหนี่ยวแล้วมันก็คงจะ เบาสบายเหมือนกับที่เราเห็นในนิมิตนะคะระอาจารย์ฮัลโหลผู้ชมได้ยินไหมครับได้ยินครับในในระดับดีเลยครับเสียงโอเคงั้นเราก็สนทนาต่อไปครับต่อได้เลยครับพีอยู่ที่คุณสกินทอนครับขออภัยด้วยเนะเทคโนโลยีอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้คุณสกินทอนสกินทอนอนิวเอาเอาใหม่คับพระอาจารย์ โอเคได้แล้วพระอาจารย์คะอาทิตย์ที่แล้วโยมคุยอยู่ระบบก็ร่ำเหมือนกันค่ะเป็นเพราะยมไหมคะไม่หรอกอาทิตที่แล้วก็เป็นแบบนี้โยมพอดีเหมือนกันเลยค่ะมันจะเป็นอะไรก็แก้แค่ขายมันไปก็แก้ได้ก็แก้อย่าไปเบรงใครให้เสียเวลาเบรมตัวอย่างนี้แหละค่ะพระอาจารย์ก็เสียงชัดเจนดีเลยค่ะพระอาจารย์ยมก็ ไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ก็เข้าใจมากอะไรแต่อะขึ้ปฏิบัติมากขึ้นพยายามเพราะว่ายมไม่อยากว่าช้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่รู้สึกว่าตอนนี้คือนาทีทองของชีวิตเราเราคือเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปคอยดูแลใครทั้งทั้งที่แม้ว่าเราจะห่วงเราก็เราต้องตัดให้ได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราคิดได้คิดเป็นอย่างที่ อย่างที่โยมเห็นในนิมิต ท, ที่โยมเห็นน่นนะคะโ mm hmm. ยมก็จะต้องบอกตัวเองว่าความทุกข์ก็ไม่เอากิเลสก็ไม่เอาต้องไม่เอาอะไรแล้วเราจะหลุดออกมาแล้วเราก็จะเบาแล้วเราก็จะเป็นอิสระค่ะก็ถ้าถ้าโยมสามารถทําได้อย่างที่โยมเห็นมันก็คงจะเป็นทางที่ถูกต้องนะคะะอาจารย์ เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนใจเรายังไม่ยอมไม่ยอมรับซะร้อยเปอร์ซ็นก็เลยก็เลยยังยังวนไปวนมาอยู่แต่หลังจากที่โยมปฏิบัติต่อเนื่องนะคะพระอาจารย์ก็เริ่มเห็นว่าสติมันแนบแน่นขึ้นแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าอิริยาบถย่อยมันมันค่อนข้างจะกำหนดได้ได้มากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็สมาธิก็เหมือนมัน เหมือนมันดีขึ้นเหรอคะพระอาจารย์อมันนิ่งไเลยอใจย์ไม่ลอนใจอยู่กัอารมณ์ที่เรากําหนดไว้ใช่ค่ะก็มาดูลงไปคะถึงแม้จะเป็นผลที่เกิดจากการฝึกสติมาทั้งวันนะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยคิดว่าโยมต้องทําต่อเนื่องให้ได้啊ค่ะพระอาจารย์จริงเราทําได้สติเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเราก็ทําได้เลยตั้งขึ้นมาแลตั้งสติเลย มันครับใจให้มันอยู่กับร่างกายคอยก็อยู่ร่างกายแล้วกำลังทำอะไรอยู่ค่ะเวลานอนอย่างนี้เขาก็เขาก็เขาก็กําหนดของเขาเองได้ใช่ไหมคะอาจารย์เวลาทำทก็ดูลมไปแล้วก็หลับไปแล้วหลับแล้วไม่ต้องกังวลนั่สจะดีแต่ว่าเวลาเหมือนกับเราเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวในตอนนั้นเราก็จะได้ยินพุทโธพุทโธถ้ามันรู้สึกตัวก็ยังไม่หลับ มันเหมือนมันบวบๆแบบค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็มันก็ขึ้นมาแล้วมันก็ได้ยินพุทโธพุทโธแล้วเราก็กําหนดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยนะคะอยากคิดเรื่องต่อมาให้ไปย่อไปคิดอะไรค่ะใจให้ว่าเนี่ยแล้วมีคำถามหนึ่งนะคะพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรากําหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราเดินปัญญาค่ะพระอาจารย์ออเวลาที่ ค่ะก็คิดไงคิดคิดถ้าปัญญาเขาต้องคิดแต่คิดแต่มันต้องคิดจากภายในใช่ไหมคะมันไม่ต้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่ใช่ตัวเราคิดมันต้องจิตเราคิดใช่ไหมคะอาจารย์เรานี่ยต้องคิดถ้าอยู่ในจิตมันไม่คิดเราต้องสอนมันให้นักคิดอือค่ะอาจารย์สอนนใหเราคิดว่าร่างกายไม่สวยงามเป็นอารยสารที่สองเนยร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องตายแต่ถึงแม้โยมจะคิด โยมก็ยังเหมือนกับมันก็ยังห่วงอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยนึกว่ามันต้องให้ข้างในเขาคิดก็แสดงว่าจิตยังไม่สงบพอมันยังห่วงอยู่ถ้าจิตสงบแล้วมันก็เฉยนั้นยังไม่ดูเบิดขาก็คิดไม่ได้ก็ไม่ดูเบิดขาคิดถ้ามันก็ยังมันยังไม่รับมันยังไม่ยอมรับความจริงมันไม่ยอมรับอะไรสักอย่าแล้วต้องทาใจให้มันเป็นดูเบิดขาก่อนให้มันจิตรวมก่อนให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อน ค่ะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อย่าพิ่งไปกังวลเรื่องเรื่องปัญญาอันนี้กังวลเรื่องสติมากกว่าค่ะ<ต>พระอาจารย์สมาธิให้จิตรวมเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนค่ะแล้วค่อยไปกังวลเรื่องปัญญาต่อไปค่ะพระอาจารย์นะครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะ ค, ครับใจนะโอเคสาธุกลับขึ้นไปที่คุณเบนจวรรณคุณเป็นจวรรณ ผมเปิดไมค์อยู่แล้วเหรอไมว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีเสียงครับไม่ไม่ได้เปิดไมค์ครับไปคนต่อไปคุณพลรกิจเห็นไหมเห็นนะครับคุณพลรกิจฮรคุณพลรกิจได้ยินไหมได้ยินครับมีอะไรก็จัดเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากวันนะครับคือเรื่องกังวลเรื่องงานที่บางทีมัน มันไม่ใช่แค่กลัวว่าจะเขาจะไม่ให้อยู่นะครับมันกลัวมันก็กังวลไปถึงกระทั่นบอกว่าพอมันความเป็นอาจารย์เสร็จมันต้องสัมผัสกับงานลายอะ่าที่ไม่เคยทํามาก่อนก็กลัวว่าจะไปไม่ไหวครับก็เราทําไปเรื่อยไปกังวลยังไงให้มันถึงเวลากเขาจ้างเรามาแสดงว่าเขาเชื่อมั่นว่าเราทําได้ครับเราไปกังวลทำไมแล้วก็เรียนจบมาแล้วก็มีวิชาความาาแล้วก็ทําไปคนหนึ่งก็ทาได้เราก็ทําได้ ใจเราไปคิดเองนั่นเองอย่าไปตีตอนก่อนไข่เพราะนะครั บ, รบแล้วที่นี้ในเรื่องของคนรอบข้างนะครับคือว่าบางทีผมเองก็ยังงงเลยบางคนเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ทำไมอยู่ดีเขากลับมีความคิดความเห็นในบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามทํามนองครองธรรมไปได้นะครับอ๋อแม้แต่เทวทัตอยู่ลูกพระเจ้ายังคิดไม่ได้เข้าธรรมนองครองธรรมเลยเรื่องจิตของแต่ละคนมันไม่ได้เพราะว่าอยู่กับครูบาอาจารย์หรือไม่ จิตมันมีเป็นทัพปีในหม้อแกงกอเป็นดินกับแกงถ้าเป็นเป็นทัพปีในหม้อแกงอยู่่แกงเป็นปีมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรถ้าจิตไม่มีสติไม่คอยฟังคําสอนว่าใดคําแต่ความคิดของตัวเองเดียวกูบาจา่ปีมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้สึบทราบคาํามคำสอนของกูบาจางเข้าไปเลยมันก็ยังคิดตามภาษาดิเลตของมันอยู่ยนะ น, นั่นแหละนะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่นกังวลเรื่องของเรากวบานะ ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือตอนนี้สวดมนต์นะครับแต่เป็นการหนังสืออ่านส่วนนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีจิตมันก็อาจจะยังไม่ค่อยรวมอยู่รวมอยู่นะครับมันก็พุ่งไปที่หนังสือสวดมนต์นะครับก็ถ้ามันสร็จถ้ามันได้กลิดหนังสือได้มันก็ใหันอยู่ในใจให้โดนหนังสือเข้ามาในใจนั้มันก็ยังพุ่งออกไปข้างนอกอยู่นั้นต้องหัดท่องแล้วก็ได้นั่งหลับตาสวดได้แล้วก็ไม่ต้องออกเสียงสวดใต้ไพ่ในใจ แล้วที่นี้มันก็จะไม่ออกมันจะเข้านะเข้าใจไหมเข้าใจครับขอบพระคุณครับโอเคนี่เขมาวัดเมื่อสองวันก่อนเข้ามาวัดเป็นวันอาทิตย์ต้องขึ้นมาเชื่อที่มาวัดก็มาเมื่อวานก็มาครับเมื่อวานเมือม่อวานก็มาครับแล้วก่อนนนี้ที่มาที่แนะนําตัวว่าเป็นอาจารย์จ่าใหม่บุรพานแล้วที่บอกว่าโดนอาจารย์รุ่นพี่คนหนึ่งไล่ด่าเอาแบบหยั บ, ยบหยาบคลายๆนะครับโอเค อย่าทำใจไว้นะะเขาไม่ชอบเราก็เขาก็ด่าเราเขาคิว่าดีแล้วก็ยังไม่ตีเรานะครับขอบคุณครับโอเคต่อไปคุณกันประพัดนะภาษาอังกฤษอ่านอานจะไม่ถูกตรงภาษาไทยนะคุณการประพัดกลับนมัสการค่ะกันประพัดค่ะอาจารย์ประพัดอยู่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอ มีอะไรไหมอยู่แจ้งวัฒนะค่ะเคยไปกราบพระอาจารย์ครั้งหนึ่งที่ที่เขาค่ะอ่ะาคม่มีคำถามอะไรไหมมีเจ้าค่ะก็ดีใจได้มีโอกาสได้ถามพระอาจารย์คือโยมเคยปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็เนื่องจากแบบมี อย่างอื่นแล้วก็ป่วยด้วยยมก็เลยไม่ได้ปฏิบัติประมาณประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะค่อนข้างนานอยู่แล้วก็เพิ่งกลับมาปฏิบัติใหม่ค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมันไม่รวมเท่าไม่ไม่เท่าเดิมค่ะสมาธิสติปัญญามันได้ไม่เท่าเดิมมันต้องใช้เวลาสร้างสติขึ้นมาใหม่กายันมันเหมือนมันนับหนึ่งใช่ไหมพะยะค่ะต้องมานับนับหนึ่งใหม่เพสติที่เราเคยมีมันมัย่อนยาน เขาต้องมาคลิปเป็นใหม่มันนักวิ่งมาราทอนนะอน่ะเคยวิ่งแต่พอหยุดวิ่งมาสักปีพอจะมาเริ่มวิ่งใหม่มก็ต้องมันก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาใหม่ก่อนค่ะเันใจเย็เนๆก็ฝึกไปทำไปสร้างสติขึ้นไปเรื่อยๆีมันก็กลับไปสู่จิตเดิมได้ค่ะทีนี้มันก็เริ่มเริ่มกลับมาสวดมนต์เยอะๆแล้วก็เออก็นั่งพยายามให้มัน ให้มันสงบมันก็พอทำได้บ้างแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอมันถึงจุดที่เรารู้เราจำได้ว่ามันรวมแล้วมันเริ่มดิ่งแล้วแล้วใจมันเหมือนกับมันมีกิเลสอยากให้รักษาสภาพนี้เอาไว้นะคะอาจารย์ก็ดูให้มีสติดีเฉยๆมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ถ้ามันจะถอนออกมาก็อยากจะให้มันอยู่ต่อก็าพูดโทรต่อไปค่ ะ, <c oughs> คะสุดท้ายแล้วมันถอนนะคะ แล้วก็วกออกไปข้างนอ ก, ก, ก ไ, ได้แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วทอนมาแล้วก็พุโทโธใหม่หนุยลมใหม่ค่ะทีนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนโยมก็เคยถามพระอาจารย์ว่าโยมคือเหมือนกับโยมดูดอนาปานาสติค่ะแต่ว่า อ, อมันมีปัญหารเรื่องสุขภาพ ก็คือยมจะหายใจได้ไม่ค่อยลึกแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะค่อนข้างเยอะทีนี้มันเลยเหมือนทำให้มันมีปัญหาคือมันจะมีลมตีขึ้นมาค่ะบางทีจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะหายใจอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องปรับใจให้อยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ใจเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมันไปละกัน ค่ะถ้าเราดูลมไม่ได้เราก็ใช้พูดโทรแทน ไ, ได้ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งจะปรึกษาพระอาจารย์ก็คือว่าพอเรารู้ว่าเราป่วยมันก็มีคิดหลายๆครั้งว่ามันเป็นร่างกายเนี้ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเหมือนที่พี่ท่านหนึ่งพูดก่อนหน้านี้ <c oughs> หนูอาบน้ําไปหนูก็คิดไปแล้วหนูก็เลยก็จะใช้ร่างกายที่ ท, ที่เ ร, เราเยี่ยมมาเนี่ย เป็นประโยชน์ต่อผูทธศาสนาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเช่นไปออกลงทานหรือว่าทําอะไรก็ตามมันจะเผลอทําอะไรที่มันเกินลิมิตตัวเองอันนั้นก็คือโยมไม่ไมีสติไม่มีส ต, ไสติไม่มีปัญญาค่ะแล้วพอมารู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนกับมันสายแล้วแล้วโยมก็อ่วยมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่่ต้องปรับถ้าจะเอามาเป็นบทเรียนสอนตัวให้ครูต่อไปยัง้ค่ะค่ะอ า, าะจารย์ข้อค่ะค่ะข้อสุดท้ายคือเออเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิมีสมาธิดีค่ะแต่พอเวลาเริ่มพอออกจากสมาธิแล้วจะแผ่เมตตาค่ะพระอาจารย์โยมจะใช้เวลาในการแผ่เมตตาค่อนข้างนาน แต่ว่าระหว่างแผ่เมตตาเนี่ยสังเกตตัวเองหลายครั้งว่าคือด้วยการที่โยมกินยาที่เกี่ยวกับสมองและประสาทด้วยมันก็จะเผลอหลับในระหว่างแผ่เมตตาพระอาจารย์โยมจะถามว่าอาการของจิตนะขณะนั้นที่มันไม่ชัดเจนในการแผ่เมตตาเนี่ยเขาจะได้รับบุญจากเราไหมคะอ๋อไม่ได้หรอกมีสติไม่ได้ยังไม่ได้แผ่เพราะงี้เราต้องแผ่ตอนที่เจอกัน ตอนนี้เราเจอท่านทายกันสวัสดีค่ะเนี่ยยิ้มให้กับเขาเนี่ยพอก็เห็นหน้าเรายิ้มแย้มท่านทายแล้วเขาก็มีความสุขตอนนี้ไม่ได้แต่ตอนที่อยู่คนเดียวเพราะยัตอนนี้อยู่คนเดียวมันการสุดแผลสอนใจให้ทนวดวิธีแผลเวลาใครเขาทาให้เราโกรธก็ต้องให้อภัยเขาคเราทําอะไรก็อย่าไปเดียดริ้นคนอื่อยาให้คนอื่นเาเดือดร้อนแต่ใครเขาทำของเรา ถ้าเรามีเอกินเยอะใช้ก็แบบงให้คนหนึ่งเขาบ้างเนี่ยแผ่เมตตาแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดนะค่ะพระอาจารย์การกสวดเป็นการเจริญสติก็เป็นการฝึกจิตสอนจิตให้รู้ว่าการแผ่เมตตาต้องแผอย่างไรบ้างค่ะนะค่ะต้องแผตอนนี้เ น, นี่ยญาติโยมที่ได้ยินลองแผ่ให้เขาเดี๋ยวขอให้ทุกท่านมีความสุขเขาก็ยิ้ม ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะถ้านี่ยแผลได้ตอนนี้เนี่ยแล้วก็สาธุกันทุกคนเลยไหมค่ะแล้วคนอยู่คนเดียวก็ไม่รู้เนี่ยคุณแผลเห็นไหมเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เหรอคุณแผพระอาจารยเปล่าค่ะพระอาจารย์ค่ะเราแผลให้ร่างกายเราตัวเราเองด้วยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แผลร่างกายก็ต้องดูแลมันไงให้มัน ให้มันนอนหลับให้มันมีอาหารกินอะไรเนี้่เราแผ่เมตตาให้ร่างกายยิ่งดูมันเนองก็ลเลยก็แผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดแผ่ด้วยการสวดแต่ไม่กินข้าวมันก็ตายได้เหมือนกันมันยังหิวข้าวว่าเราใหข้าวมันมันหิวน้ำว่าเราให้ น, น, ห น, น้ำมั น, ม, นาาาา ม, มาหาว่า้องหาพระโหรมมาโห่มนี่เราให้ความเมตตากับร่างกายเราให้ความเมตตากับใจเราก็าคือทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธ อย่าปลยมันคุ้มไค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคพระอาจารย์นะมีอะไรแนะนํำไหมแล้วค่ะเอาเรืหลักให้ฝึกสติให้ให้ ม, มากๆสตินี่เป็นกุญแจสําคัญที่สุดของการปฏิบัติเนะี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพระคุณค่ะคุณคุณเจสเลนน่าคุณเจสเลนจากนอรแคอรไลนะเมืองอะไรนะ ใช่ค่ะมองอเมืองสคเว่า่ะเมืองอะไรนเ บ, บนิออร์นค่ะนิวเบิร์นค่ะนเบิร์นอยู่ใกล้มณฑลใหญ่อลไน้างเจ้าค่ะมใหญ่ใกล้ๆกลท่านชือมที่คนรู้จักกันพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่ะสบายดีจ้ะโยมมีคาถามอยู่คำถามสองคำถามโยมเดินจงกลมแบบเดินไปกลับไม่ได้แต่โยมใช เวลาการเดินออกกําลังกายวันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเจ้าค่ะแต่ว่าใช้การภาวนาในการเดินออกกําลังกายไปด้วยได้ไหมแม่เจ้าค่ะได้ไก็เดินไปพุโทโธไปออกกําลังกายพุโทโธไปแล้วดูดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเออยอะเลยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้โยมฟังว่าการแบบแผ่เมตตาเหมือนกับว่าที่พระอาจารย์พูดว่าถ้าเรามีเราก็แบ่งปันแต่ในเมื่อถ้าเราแบ่งปันแล้ว คนที่เราช่วยเหลือเขาไม่เกิดเราจะทํำยังไงคะเขาไม่เกิดเนาะก็คือว่าเขาเขาไม่พัฒนาน่ะเจ้าค่ะคือว่าเราช่วยเขาแล้วก็คือว่าช่วยในในในด้านที่อยู่อาศัยนะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาก็เราไม่ได้เราไม่ได้ทําเพื่อให้เขาพัฒนาเราทําเพื่อให้เขามีความส่ขให้เงินเาให้เขาไม่พัฒนาก็ลงเขาเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีเขา เหมือนกับว่าการช่วยพี่น้องมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งประมาณที่ว่าพอได้แล้วเขาไม่รู้จักพอนะจะค่ะก็ก็ต้องนิดรู้จักให้แบบประมาณเนี่ยแล้วก็ดูว่าเขาเดือดร้อนอหรือไม่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ทําให้สอนแล้วก็เดือดร้อนขาดแคแลนก็ต้องช่วยกันไปเสร็แล้วไม่อระวังให้น้องมาขอบคุณเราเรืองพัฒนาตัวงเา้าให้ด้วยความเมตตาสงสารเจ้าค่ะาแต่วแต่ ของกรณีอย่างของโยมเนี่ยก็คือว่าโยมเป็นคนที่ว่าไม่ถ้ามีก็รู้จักใช้ไม่ถึงกับว่าตนี่ทีเหนียวเกินไปก็คือรู้จักสถานะของตัวเองแต่ว่าคนที่โยมช่วยไปเนี่ยคือว่าเขายังมียังไม่พร้อมเท่าไหร่นะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาใช้เงินเกินเกินอัตราที่เขามีนะเจ้าค่ะมันมันทําให้การที่เราช่วยเหลือเขามันรู้สึกว่าท้อคือว่า เขาไม่มีความประหยัดในตัวเองนะเจ้าค่ะก็ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยดัดสัญญาณหน่อยให้น้อยให้เขาทุกข์มากก็จะได้รู้ว่าการใช้เงินแบบไม่ไม่มีขอบีเคดา็เป็นคนเสียกับเขาเองโยมเอาคำสอนของหลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าเราต้องแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งใช้ส่วนตัวส่วนหนึ่งคือสร้างทานบารมี เจ้าค่ะถ้าช่วยได้คนหนึ่งเนี่ยแล้าค่ะก็ถูกต้องเนี่ยต mm ้องต้องต้องมีสำรองไว้ถ้เกิดแล้วตกหน้าเนืงไม่จ็บไข้ได้ตัวยหาเงินไม่ได้เราก็ต้องมาเอาเงินที่เราเก็บไว้มาใช้เจ้าค่ะหมดคำถามเจ้าค่ะเบอร์นิวเบอร์นี้อยู่ใกล้ๆเมืองอะไรนะเมืองใหญ่นีไหมคะที่ใกล้ นิวเบอร์นี่เหมือนอยู่ในบ้านนอกนะเจ้าค่ะเหมือนอยู่แถวต่างจังหวัดข้าเราเจ้าค่ะใกล้ใกล้เมืองใหญ่ที่สุดเมืองไหนบ้างเออลาลีเจ้าค่ะอ๋อลาลีนเจ้าค่ะใช่ลาลีนี่เป็นรู้สึกว่าเขาเป็นเมืองที่เพอริตบุีเมก่อเมื่อก่อนโรงงานบุรีมีอยู่เยอะนะนสเนเนเนมบรอนี้เคยู่ที่เวทอยู่ที่ลาลีา เจ้าค่ะอันน้เขาเาเาปลูกปลูกพวกใบใบใบสูบมันะเจ้าค่ะปลูกพวกใบสูบเจ้าค่ะแล้วก็ปลูกพวกเอ่อจำตระกูลดอกป้ายนะเจ้าค่ะไอไอคอสตเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเค้าค่ะบสาธทุกเจ้าค่ะาอ่าคุณสุพัฒนาจะบอวินใช่ไหม่เชิญสวัสดีกล่าวนามสการพระจานทร์เจ้าค่ะ อยู่บอวินเอ่าวันางนวันนี้มีถามไม่ไย้ำหองเดียวก็เออมีมีมีสงสัยวันนี้ค่ะพอาจารย์นิดนึงว่าตัวตอนที่เรามีสตินะคะที่พระอาจารย์ก็คือเดินเดินว่าเราทำอะไรแล้วมีสติเนี่ยแล้วมันมีแวบหนึ่งเข้ามาว่าการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับว่าให การปฏิบัตินี้ก็คือดูแค่กายกับใจแค่นี้เองอันนี้มันมันเป็นความคิดที่ถูกไหมคะพระจาจย์ถูกแต่เริ่มต้นดูกายก่อนดูกายเพื่อให้ใจสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วถึงไปดูใจได้ต่อไปค่้าคะเืิ่มต้นดูกายเช่ดูว่าร่างกายกำลังทําอะไรเพื่อให้เกิดสติพอเกิดสติเราก็ทําใจให้สงบได้พอใจสงบที่นี่แล้วก็ดูใจ ว่ามีอะไรบ้างในใจกิเลสมีไหมมีความโลภความโกรธความหลงไหมมันก็จะเห็นนแต่ต้องข่านดูกายก่อนดูกายว่าเหมือนกับว่าในในในขณะนี้ยเราทําอะไรเราเดินยืนเดินนั่งนอนอย่างที่พระอาจารย์ว่าหานี้ถุนกันแล้วคะอันนี้เดียกว่าขั้นสตินั้นดูกายมีสองขั้นขั้นสติและขั้นปัญญา ขั้นแรกคือขั้นสติคอยดูว่ามันเคลื่อนไหวมันทําอะไรเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอือ่นแล้วถ้าต่อไปถ้าใจมีสมาธิก็มาดูล่างกายอีกทีดูด้วยปัญญาดูว่ามันเกิดแล้วมันไม่เทีย่ยวมันเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นดินน้าลมไปมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่สวยไม่ ง, งามยนการสารสิบสองอันนี้ข่านปัญญา2 2> อีกสองขั้นหลังกัน แรกดูเพื่อให้จัดสติเพื่อให้ติดสมาธิเพ่อดูเฉยเฉไม่ให้คิดอะไรค่ะแล้ค่ะแลค่ะขอขระคุณเจ้าค่ะขออนุ ญ, ญาตฟังธรรมเจ้าค่ะคุณสายทิพคุณสายทิพอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไกลับมาเทศกาลพ่อตาลค่ ะ, อ, ะอยู่สารคามค่ ะ, ะสารคามค่ะอยู่ในวันนี้ก็ จริงๆตั้งใจจะเข้ามาฟังค่ะแต่ว่าวันนี้พระเอินตอนที่ขับรถแล้วก็เห็นแมวค่ะแมว้็นอนตายอยู่ที่ถนนเลยโอ้นี่เนาะมันก็คือคื อ, คอทุกอย่างมันมีครบหมดเลยค่ะแต่ว่ามันขาดอะไรไปหมายถึงว่าเราก็ดูว่า อ, อ๋อเราก็คงเหมือนเหมือนกันคือเราถ้าเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับร่างกายนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรเนี้ยค่ะก็เหมือนตัวเราที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนชุดอะไรเนี้ยค่ะ แล้วคงมีใช่ค่ะเราก็คงเหมือนกันแล้วก็เลยโอ้ยเอาอสุภาษสวยๆเลยแอบคิดในใจว่าดูแมวตายก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแอบแอบคิดอย่างนั้นค่ะว่าเออเราก็ไม่ค่อยคงไม่ต่างกันร่างกายเราก็ไม่สวยหรอกเวาตายไม่ใครรู้นค่ะพอดูโสดเรามันดูน่ากลัวดูแมวตายมันดูสบายใจกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแอบคิดคำๆกับตัวเองนิดนึงว่าเราก็ไม่ได้ต่างกัน ค่ะ<ม>แล้วก็ส่วนตัวเองก็คงไม่ได้ต่างจากท่านอื่นนะคะว่ามีภาระหน้าที่บางทีเราก็ต้องไปอุ้มน้องมั่งหลานมาั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออมันก็เป็นเหมือนเรามีกรรมต่อเนื่องกันมาที่เราต้องช่วยเหลือกันเหมือนทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ช่วยอ่าช่วยเท่าที่เราช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่ก็<ม>แอบกินในใจว่าเออเราเมาื่อไหร่น้อที่เราเหมือนเราจะได้มีเวลาว่างเป็นของเรา เต็มที่สักทีอะไรเงี้ยค่ะก็แอบกินในใจแต่ก็ก็รู้ว่าก็ยังทิ้งพี่ทิ้งน้องอะไรไม่ได้ช่วยปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ช่วยแบบช่วยเราก็แล้วค่ะชื่อให้ก็ก็คือให้แต่ว่าก็กินในใจว่าเอ๊ะถ้ า, ถ, าถ้าเรายังอยากจะปฏิบัติเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราก็แผนในอนาคตว่าถ้าเผื่อเราอยากจะไปบวชอะไรเงี้ยค่ะสมมติในอนาคตเราก็ จะไปได้ไหมเนาะแอบคิดในใจค่ะแต่ว่าก็ยังเีอยู่ในใจแล้วนะถ้าเราอยากไปถ้าอย่างช่างก็ชนไม่อยู่ค่ะ <c oughs> ก็เลยแทนว่าถ้า <c oughs> อนาคตหมดนี้หมดสินหรือว่าเบาลงสักหน่อยแต่ก็คิดในใจว่าเราอาจจะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพราะว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไม่เหมือนผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะในการบวชผู้หญิงอาจจะต้องคือเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่กล้าไปเต็มตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แอบหวังว่า เผืได้ลองเข้าไปบวช ด, ดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์คิดว่าแบบถ้าผู้หญิงบวชเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าจะปฏิบัติธรรมที่บ้าน ไ, ได้วัดที่้องมีการสนับสนุนไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็มีเยอะแยะไปแต่เราก็ต้องเป็นคนเราอดอดทนเราก็เดินแบบว่าแบบใใเดินตายเขาอยู่ยังไงก็อยู่เขาให้เราทํำอะไรก็ทำเขาให้เรากินอะไรก็กินใช่เงี้ยก็ อยู่ได้อยู่วันอ๋อก็คือต้องต้องปรับตัวให้ามากามาะมีตามเกิดทำเป็นหนุนทนเดตายินของเนอยู่ของเดไงไปเราก็จะให้ที่อยู่ไ ม, ไม่ไม่ดีอยงไหนก็ได้พอโดนแาบบดกผลได้คอพอคติดก็ตินของเดงไปไปแล้วก็ะ ใ, ให้ทำงานน้ําถ่วนังชามอะไก็ทาไป ต้องฝึกตรงนี้เยอะๆอน่อยเพราะว่าค่ะนอนอย่างนี้ได้ไม่ต้องมีเงนินก็ไนดะ้อยวัดไหนก็ไดนะ้ถ้าขยัม่็ยังมีแต่ค้อยกเขอร้องให้อยู่ค่ะถ้าไปอยู่แบบคนณหงคนณงามก็ต้องใช้สตางคนะ์ค <c oughs> ่ะค่ะและ้วทีนี้ถ้าเป็นวัดที่เป็นแบบมีแต่ผู้หญิงหรือเป็นแมชีหรือเป็นภิกษุณีก็จะดูปลอดภัยกว่าไหมคะหรือว่าที่ไหนก็ได้ วัดส่วนใหญ่ถ้ามีกุบาจารย์ที่ดีนั้งคุมไว้ใครก็แยกพระไว้ส่วนแยกาบาศิกาไว้ส่วนไม่ให้ปนกันคก็ต้องไปต้องไปศึกษาดูแต่ละวัดก็ได้แต่ว่าจะมีการอยู่ว่าดียังไงไม่ดียังไงถ้าไม่ไปอยู่ไม่ไม่ลองอยู่ชัางภาพเราจะไม่รู้ใช้เวลาศึกษาหน่อยอยู่วันนี้สักเดือนนึงอยู่วันนั้นสักเดือนนึ่งเจ็บเที่ยวไปดูวันไหนดีกว่ากันว่า ใคเลือวัดที่เราที่วัดดีที่สุดสําหรับเราวัดที่เข้ากับจริตของเราด้วยใช่ไหมคะไม่มีหลายอย่างด้วยอาหารยกอากาศอะไรต่างๆเรบรรยากาศคนที่อยู่ด้วยจิตเข้าระดับไหนเขาปฏิบัติยังป่าแล้วก็ชอบทํากับข้าวชอบทําอะไรต้องระวังถ้าไปอยู่กพวกที่ชอบทำกับขุ่น <laughs> กับข้าวเขาก็จะชวนเราไปทำกับข้าวเราไปภาวนาค่ะ เราต้องการภาวนาแล้วเราไปอยู่วัดที่มีคนเขาชอบภาวนากันอืมค่ะก็คงต้องค่อยๆดูว่าที่ไหนที่เราจะอยู่ได้หรือปฏิบัติได้ใช่ไหมคะค่อยๆหาไปก่อนอ่าซันเล่นวิีต่างๆค่ะอค่ะว่าเป็นยังไงอยู่ข้ามันมเจ็ดวันสิบวันนี้เราพอจะสัมผัสรับรู้ได้แล้วเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรืสามมาเจอ หาในเน็ตได้สำนักไม่มีใส่เข้าไปเยอะแยะไปหมดค่ะหนูแอะก็ดูดูอยู่ค่ะก็เลยมีคิดวางแผนว่าอยากจะไปดูแต่ละที่อาจจะเป็นช่วงนี้ยังทำงานอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าเสาอาทิตย์ลองไปดูว่าเป็นยังไงจะใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะไปสำรวจดูก่อนค่ะโอเคนะค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะ ถ้าต่อไปคุณพระิดาไม่ทราบว่ามีคำถามให้คุณพระิดาสวัสดีค่ะเก่าวธรรมศาสตรเจ้าค่ะอ่า ม, ม, มีไงไม่มีคำถามเจ้าค่ะไม่มีนะโอเคนะคุณสุภาพจะจากลาสสุภาพค่ะสวัสดี กลับนิมิตการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนดีอ๋อดีค่ะก็ช่วงนี้ก็ก็ชักกระเยาะนะคะระหว่างความคิดกับบทสวดมนต์ก็เห็นความคิดแล้วก็แล้วก็รีบกลับมาสวดมนต์นะเจ้าค่ะก็ชักกะเยาะกันไปกันมาอ่ก็อย่างนี้นหละแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราไปแข่งช น, น, นะเองกลับมา ค่ะก็เห็นว่าว่าว่าความคิดมันมันพอคิดแล้วมันก็มันก็มันก็ลามอะค่ะคิดแล้วมันก็เริ่มปรุงแต่งเริ่มอะไรแล้วก็เริ่มทุกข์ก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นก็รี่กลับมาสวดมนต์ดีกว่ารู้สึกสวดมนต์แล้วสบายใจกว่าเยอะอ่าง่ายนะทำสวดมนต์เลยเนี่ยมันไม่มีอารมณ์มันไม่ใช่มันไม่สร้างอารมณ์ค่ะค่ะไม่ตคิดเรื่องนั้น<ๆ>ต่ตางๆมีอารมณ์ต่ต า, างๆตามมาเยอะแยะเลยค่ะ แต่ก็ความคิดนี้ก็แปลนะคะชอบดึงไปในทางที่ที่ไม่ค่อยสมไม่ดีเลยดึงมาเนไปทางทางไกลลากดึงไปทางเมตตายนะคะทีนี้มีคำถามหนึ่งค่ะแล้วค่ะคื อ, ค, อคือบางทีเนี่ยก็จะชอบคิดในเรื่องของข้อธรรมอ่ะเจ้าค่ะทีนี้พอคิดในข้อธรรมมากๆมีความรู้สึกว่าอยากสงบอยาก อยากสวดมนต์นะเจ้าค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยหรือเราจะพิจารณาข้อธรรมหรือเราจะต้องมาสวดมนต์บางทีก็สับสนนะเจ้าค่ะก็พิจารณาเพื่อให้มันสงบนงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็บอกไม่มีอะไรดีกว่าควาสมสงบก็กลับมาสวดมนต์อี่านหน่งอนะืมค่ะเจ้า<ต>ค่ะการปฏนบัตินี้เป้าหมายก็เพื่อให้เข็เราสมองนอือปล่อยวานะไม่ไปยุ่งไปกังวลกับเรื่องราต่างๆ อทยยังไงก็เดี๋ยวก็เขาเกิดแล้วเสรตต็รว่าต้องตายกันทุกคนอคิดไปกังวลได้เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเจร้าค่ะบางทีก็แบบพอมีอารมณ์อารมณ์ที่มันแบบไม่ไม่ค่อยสบายใจเพราะสวดีชอบเข้ามานะคะความคิดอารมณ์มาแบบไม่ค่อยสบายใจก็ก็ยิ้มเลยะคะ่ะก็ก็ ย, ยิ้มตอนนี้ก็เลยนอกจากฝึกสติแล้วก็พยายามฝึกยิก้มด้วย คนคนอยู่ข้างๆเขาจะได้มีความสุขก็ <laughs> เลยพยายามทั้งฝึกสติแล้วก็ฝึกยิ้มอยู่สองอย่างมีเลยแผ่นเมตตาแผ่นเมตตาเยอะค่ะเป่นยนต้องยิม้มถึงแม้ไม่อยางยิม้มก็อ้องฝืนยิ้มอย่างไรก็ต้อายใจเยอเขียนในปฏิทินแล้วเจาาว้าค่ะว่าฝึกสติแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องฝึกยิ้มด้วยนะไม่ใช่ว่าฝึกสติแล้วขึ้นอย่างเดียวต้องยิ้มบ่อยๆเขาเรียกแผนเมต่า ไม่ใช่แตอนสวดแพ้ตอนที่เจอจกันยิ้มยือเขาแต่นะ้วเขจะมีควางรู้สึกสบายใจเรายิ้มเขาก็ดีใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็มีคําถามแค่นี้แล้วเจ้าค่ะก็จะพยายามฝึกต่อเจ้าค่ะพร<ด>ะอาจารย์มีอะไรแนะนําลูกเพิ่มไหมเจ้าคะก็นี่แหละพยายามทําให้มากๆให้มีสติทําได้ทั้งวงันฝึกสติทั้งวันสู้กับความคิดไปดรุ่งโถ่รุ่วนมนตไป มีท่านหนึ่งที่เริ่มต้นวันนี้ท่านเราบอกว่าท่านเข้าสติ ป, ปัฏฐานส่นนแล้วค่ะลอาเข้าดูเรื่องได้ทั้งปัญญาได้ทั้งความรู้ด้วยรู้จักสติ ป, ปัฏฐานส่ว ย, ย, ยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้ดูเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็อิติปิโซนะเจ้าค่ะลอาอ<ร>ิติปิโสนดูจะได้เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติของเราเป็นยังไงอ ม, มีทั้งภาษาบาลี ท, าา ท, าลทั้งภาษาไทยว่าจะภาษาอังกฤษเรื่องเอา ถ้าเราพนาักภาษาไทยก็เอภาษาไทยสมายที่เราเฝึกเราก็ใช้ภาษาอังกฤษจากนั้นเราได้นังสือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องตัภาษาอังกฤษไปทาํางไปก็ทำให้ใจนิ่งทําให้ใจสงบแล้วเราได้พักได้ปัญญาได้ความรู้ด้วยออพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรมาก ลูกนั่งสมาธิยังไม่รวมอ่ะเจ้าค่ะก็ยังไม่รวมแต่ก็ว่าก็ก็ก็นั่งไปอะเขาค่ะจังยังไม่รวมก็ก็ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะคงจะได้บ yeah. ้างกับเขาบ้างนะค่ะก็เลยไม่แน่ใจไม่รวมไ่ได้หรอกเจ้าค่ะใช่ไหมนั่งไปก็แต่รวมไม่รวมข้าวหายนั่งไปค่ะก็มันก็อย่างไยมันก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ยังสบายเจ้าค่ะเจ้าค่ะเวลนั่งอยากไปอยากให้รวมยิ่งอยากที่ไม่รวมเนี่ย อย่าไปคิดถึงความลุกความอยากให้อยู่กับคุณโทอยู่กับลมดูลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะนมให้เองเจ้าค่าะแล้วค่ะสาธุเจ้าค่ะเก่าพบคุณเจ้าค่ะทางต่อไปคุณแก้วตางแก้วเป็นยังไง อ, อไก ร, บรกกาบธรรมสถาเจ้าค่ะอ่าสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะ ค, คุณแม่อยากกราบรบกวน เรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่คุณแม่เดินจงกรมไม่ทราบว่าจะฟังเทศไปด้วยได้ไหมเจ้าคะ่ะได้เราฟังเทศไปเดินไปก็เป็นการปฏิบัติไออเจ้าคะ่ะเรียนใช้พุทธองก็ใช้คำคำไปก็ได้อ๋อเจ้าคะ่ะกลับขอพบพระคุณเจ้าคะ่ะเท่า น, นี้นะเท่านี้เจ้าคะ่ะกลับมาจากวัด เมื่อวันอาทิตย์มาถึงลูกค้าโทรมาคอนเฟิร์มห้องห้องหนึ่ง<ล>ดีใจ เ, <ล>เจ้าคะ่ะแต่แต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ล่าสุดได้เดือนละมื่นแปดแต่ห้องนี้เหลือสี่พันห้าเจ้าคะ่ะเออยังดีก่าไม่ได้เลยแต่ดีกว่าดีกว่าปล่อ ย, เ, <ล>ยเป็นห้องว่างๆเจ้าคะ่ะใช่ตอนนี้กต้องลดราคาลดแรกแจกแถมเจ้าค่ะ <laughs> นะปรับกลยุทธ์หน่อการตลาดเน่อยเจ้าค่ะเข้าสภาพคนที่เขาเช่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะคนที่เขาเช่าก็ยิ่งยิ่งหนักกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีงานทําเลยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะต้องใช้เงินเก่าช่วยกันไปเจ้าค่ะโอเคเดี๋ยวมาคราวหน้านี้นี่อย่างนี้คนราเช่ามาทําบุนเรื่ไป กล่าขอพคุณเจ้าค่ะโอเคคุณจิ๊บคุณจิ๊บไอโฟนคุณจิ๊บจากน็อวแลน์แม้เลนแม่เลแม่เนน็อกวิลค่ะอยู่ติดกับสลินทอนนะคะใกล้ๆกันค่ะค่ะแต่หนูของหนูของโยมอยู่ห่างมาประมาณยี่สิบนาทีอะค่ะค่ะ คือวันนี้คือเมื่อวานเอ่อเมื่อสามสี่วันก่อนนะคะเพื่อนโยมมาเล่าให้ฟังว่าน้องที่รู้จักกันนะค่ะเขาเขาเป็นคนทำมาทำมนะคะชอบทำบุญแล้วก็ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ที่เมืองไทยใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ทำทำงานอยู่อยู่ดีๆเขาก็ล้มไปเลยล้มเหมือนกับเป็น stroke อะค่ะเป็นเส้นเลือดเลือดในสมองคพังหรืออะไรสักอย่างกลายเป็นว่าตอนนี้ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วน้องเขายังไม่ฟื้นเลยค่ะแต่ผ่าตัดสมองไปแล้วทําให้โยม เกิดเวทนาว่าแบบชีวิตคนเรามันอะไรมันไม่แน่ไม่นอนเลยจริงๆค่ะแบบถ้าเราไม่เล่งปฏิบัติตอนนี้เราถ้าเราเกิดอยู่ดีๆลม้มลุบไปแล้วตื่นขึ้นมาก็จริงแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้จะทํายังไงดีจะเรารู้ว่าถ้าตายมันโอเคสําหรับยมคือถ้ามองว่าถ้าตัวเราตายอ่ะยมยอมยมไม่กลัวตายนะคะถ้าถ้าตายนะคะ แต่แค่โกลัแค่ว่าถ้าเราต้องนอนเป็นผักเป็นปลาแล้วเราปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังธรรมะก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงขั้นที่มันไม่เข้าไปหรือเปล่าอย่างนี้เราชะวางใจยังไงดีคะพระอาจารย์ก็ดีเดี๋ยวจะได้คุณโทรอย่างเดียวได้ดูลมอย่างเดียวแล้วม no, ันแล้วถ้าเรานอนเป็นผักเป็นปลาแล้วมันจะได้หรอคะถ้าเราไม่ได้จิตจิตนั้นไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย จิตมันก็ยังคือลมได้ยังพูดโตได้ส่ว น, นถ้าเรา<ด>ปฏิบัติแต่ตอนนี้มันถ้าถึงแม้เราจะนอนเป็นผักเรามองได้ตาตาแต่เราไม่รับรู้ใครมาพูดกับเราเราไม่รู้เรื่องแต่อย่างก็ยังได้แหละค่ ะ, ะจิตยังรู้เรื่องจิตไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายจิตเป็นเหมือนตามที่ร่าง ก, กายเป็นปกติทุกอย่างเพียงแต่ไม่สามารถใช้รา่างกายทำอะไรได้เท่านั้นเองก็ดียด้ไม่ต้องไปเสียเวลา มีคนมาคอยเลี้ยงเราคอยอาบน้ำให้เราคอทําอะไรให้เราเรา<อ>เป็นมือนถ้ามีถ้ า, ามีคนทำให้ก็ดีค่ะกจะแบบลูกอแม่มไปอยู่กับบ้านพักคนชราอะไรแบบนี้นะก็ต้องมีคนอยู่ดีอะต้องมีใครสักคนดูแลเราะาดีๆก็ตายตายไไก็ยไม่กลัวแล้วไปกลัวอะไรใช่ค่ะตายยอม กลัวตายหรอกค่ะแต่ว่ากลัวแค่ว่าเออบุญเราพอหรือยังนะเราแบบมีสติมากพอหรือยังแต่คลัไม่กลัวตายแล้วไม่มีปัญหาอย่างอื่นเป็นเรื่องกิดจอยยังไงทั่วไปก็คือเรื่องของความตายถ้าม่เกิดความตายแล้วเรื่องอดมันไม่เป็นปัญหาอะไรเรื่องไม่มีเรื่องไม่มีคนดูแลก็ไม่เปัญหาถ้าเครดูแลอย่างมากเดี๋ยวมันก็ตายใช่ค่ะก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะใช่พเจริญถูกค่ะใช่ถ้าไม่มีใครดูแลร่างกายเราก็ดับไปเอง มันก็คง ไ, ไม่เหมือนน่งมออีปัญหาอนะไร <c oughs> คิดได้มันตลอดรอดฝั่นะยมยมยังมีความคงเป็นกิเลสอันนี้ล่ะคะที่ว่าเอ๊ะเรายังปฏิบัติไม่พอเลยอะ่ะเรายังนั่งสมาธิไม่ไปถึงไหนเราแบบแต่สติดีขึ้นนะคะลืมไม่ค่อยลืมของว่าวางไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็พงานก็สำเร็จปแบบ หรือจัดตารางการทำงานได้ดีขึ้นก็เรียกว่ามีสติมากขึ้นไหมคะพระอาจารย์อืแต่สติแบบนี้ยังไม่ดีเล่วสติแบบให้คิดนิ่งไม่ให้นึกคิดอะไรทำถ้ายังไงต้องถึงขั้นนั้นต้องทำยังไงเจ้าคะก็ทำ ง, ง่านง่งยแล้วก็คิ ด, คดนั่งสมาธิคือนั่งสมาธิจะช่วยเจริญสติหรือว่าเราต้องฝึกสติระหว่างไม่นั่งคะอ่อไม่นั่งก็ฝึกสติไป เรววาก็จะให้จิตมันสงบก็ต้องนั่งต่อค่ะแต่วเวลานนมันมันยังไม่มันยังไม่สงบเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องดูอสุภะไม่ต้องพิจารณาสังขารไม่คะ่ะให้ดูลมแล้วพุโทโธอย่าเดียวค่ะค่ะแล้วที่นี้สมมติว่าคําถามหนึ่งนะคะถ้าเราต้องตายไปแล้วเรายังมีนี้สิติที่เรายังใช้ธนาคารไม่หมด เราตายไปแบบนี้ถือเราต้องไปชดใช้เขาไหมคะถ้าเรายังไม่เป็นแบบพระอรหันต์หรือว่ายังไม่แบบนิพพานอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็เรื่องของอนาคตเป็นกกรนาจะต้องมาใช้เขาไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นนะแต่เ่าแต่พยายามใจตั้งใจถ้าเขาคงจะไม่ตามมาเก็บนาะงั้นอย่าตามมาเก็บเลยชาตินีเลย เขาอาจจะยดัยดบ้างยึดที่ของเราไปแทนก็ได้อค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดแล้วคะไม่มีเขาก็คงยาวถือว่าจะหนี่สิไปเป็นเปล่านั่นตัวต่อเมืองโลนขาคงทใจแบบยธนาคารก็มี NPL เยอะแยะไปหนี้สีะใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดไปแน่อย่างนั้นเราโอเคคิดแบปลอมๆตายไปแล้วไม่ต้องเป็นตัวไหนแล้ว เดีคืว <c oughs> ่าคือว่าจบแล้วตามโลกนี้ถ้าเราไปจิตน า, าที่จะหนีหนีหนี่เพื่อฆ่าตัวตายว่านี่นี่นะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีเวรตามมาหรอกค่ะแล้ ว, <c oughs> ลวยังงี้ที่พระอาจารย์แนะนําน้องคอนนึงว่าเราควรจะแผ่เมตตาให้คนอื่นได้ยินอย่างนี้เราควรจะพูดทางแบบออกประกาศอ่าโยมขอแผ่เมตตาให้ทุกคนกระโจนนาความดีกับทุกท่านแผ่เมตตาบุญ ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขพ้นทุกเจอแต่ความดีนะคะแผ่เมตตาให้ค่ะสาธุทนหนสาธุสาธุสาธุด้วยพระอาจารย์พระอาจารย์แผ่เมตตาให้โยมด้วยนะคะนี่อ่ะให้ธรมนี่อเรียนวิุถัแผเมตตาที่ดีที่สุดค่ะการได้ธรรชนะกานให้ทั้งตัว ค่ะถูค่ะสาธุค่ะโยมก็พยายามให้ให้ให้ทํามากับลูกอยู่เนี้ยค่ะไม่รู้จะเข้าเข้าซ้ายออกขวาหรือเปล่าแต่แต่เรามีหน้าที่ห้างย้ายไปเขาจะรับไม่รับเราะั้นมันไม่ของเก่าไม่รับประมวลนค่ะกรรมธรมักการขอบพระคุณค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะคุณวิชาณกรประโถชาครับผมก็ เพิกลับมาถึงบ้านครับก็พรุ่งนี้ไปไปวัดป่าทำคีดีนะครับไปก็แล้วกลับวันที่ยีสิบเลยครับอ่าไปปฏิบัตินะครับ้็ไปปฏิบัติก็ช่วยแอนคาทินด้วยครับทีเดียวเลยครับออืตามไปมีเวลาว่างมั่อหลหรจะไปอยู่วนะ้านเนี่ยครั บ, รบไม่ไปไหนแลเลิกเที่ยวเลิกทำอะไรหมดแล้วครับของไม่ดีนะมากขห้มีประโยชน์เยอะ คือ ว, ว่าจะปฏิบัติทำดอยู่นยานี่รงเองเพียงงานคืนนี้เดี๋ยวให้เสร็จ น, นั่นเจไม่ต้องมีรอะไรครับครับผม ค, ครับไม่มีอะไรนะไม่มไรครับแค่ให้คนหนึ่ให้ก็ถามได้นะคุณไม่ได้วันคุณไม่ได้วันได้ยินหมเปินเาิดให่แสดงว่ามันมีภาษายเลไม่ม ฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใหม่ฮะเป็สตอนนี้คุณ ท, ท่านได้มีโอกาสได้ถามหมดแล้วพีนี้รเราสั่งให้ซีอการใหญ่จะถามมันก็ยกเว้นขึ้นคุณอยากมีคําถามได้สุน<ม>าร์าา ค, าครับท า, ทางเจนครับเดี็ดนะฮะเจนครับมีคําถามไหมวันนี้เจนมีค้าคำถามจากเฟซบุ๊กเจนถามได้เลยพูดดังๆหน่อย คำถามแรกนะคะจากคุณแก้วสูโม่พยายามฝึกนั่งสมาธิพยายามพุทโธแต่ใจล่องไปมามีเคล็ดลับบ้างไหมเจ้าคะหรือต้องอดทนนั่งต่อไปพุทโธพุทโธพุทโธ ก, ก่อนเรา nang ก็ควรจะฝึกพุทโธไปก่อนด้วยไม่ใช่มาจากพุทโธตอนที่เราเริ่มนั่งมันจะมีกำลังน้อยพุทโธจะมีกำลังน้อย ให้หัดพุดโทโธไปตั้งแต่เื่นนะนึ่งตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่จาเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็อย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเวลามานั่งมันจะได้มันจะได้ไม่คิดถ้าเราปล่อยให้มันคิดทั้งวันพอมานั่งมันก็คิดต่อมันก็จะสู้กับพุโทโธไปงั้นก็อยากฝึกพุโทโธไว้ก่อนที่เราจะมานั่งนะ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปนัดดาน่านโพกราบเรียนถามพระอาจารย์ในฉันเจอสภาวะธรรมแต่ไม่สามารถจะไปต่ อ, อยังไงขอเรียนถามเวลาเราโกรธเรามองเห็นความโกรธแต่เราจะมองดูที่ใจแล้วความโกรธนั้นก็หายไป แต่ว่าต่อไปต้องปฏิบัติยังไงคะขอคําแนะนําด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ่อต่อไปอย่าให้มันโกรธเลยวิธีนี้จะทําให้มันไม่โกรธเลยจะเคยอย่าไปอยากความอยากทําให้เราโกรธอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้เราก็โกรธอยากให้เขาทาอย่างนั้นทอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็โกรธอยากให้เขาพูดดีเขาไม่พูดดีเราก็โกรธงั้นต่อไปฝึกอย่าไปอยากได้อะไรจากใคร ถ้าต่อไปเราก็จะไม่โกรธต่อไปค่ะคำถามที่สามจากคุณธนาวัฒในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพาสวดบทสวดมนต์ไหมครับถ้าสวดพุทธองค์พาสวดบทไหนครับขอบคุณครับอันนี้เราไม่ไม่ไม่ทราบนะเาเราไม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนขนาดนั้นถ้าที่เห็นก็มีแตท่านแสดงธรรมสั่งสอน แล้เรื่องเรื่องสวด น, นี่ไม่เคยไม่ยิงไงแต่ไม่รู้ว่าท่านสอนให้สวดหรือเปล่าท่านถ้าแต่ท่านเอเนะี่ยมีการสวดท่องจำทั้งสุดเพราะว่ามันเป็นเป็นสมัยนั้นไม่มีหนังสือไงเวลาฟังแล้วก็ต้องเอามาท่องจะได้ไม่มยิงแต่ท่องเพื่อไม่ไดเอามาสวดแต่ที่เราสวดกันอันนี้เขาท่องเพื่อให้จดจําให้จําความหมายของคําสอน แล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นหลังต่อไปเวลาใครมาบวชใหม่ก็สอนรุ่นหลังว่าเนี่ยเขาจะแจ้งสอนบท น, นี้บวชนี้ให้ท่องไปการท่องนี้มันก็จะเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิภายในตัวด้วยแล้วก็ฝึกปัญญาไปด้วยได้ความรู้เหมือนที่คุณพาะนาเนี่ยท่องสติปัฏฐานสูตรท่องเพื่อให้เรามีสติท่องเพื่อเรามีปัญญาสมัยก่อนเขาท่ า, น, านี้สมัยก่อนไม่มีหนังสือ ต, ต้องจํากันใน mm hmm. เรื่องการสวดแบบนี้เรามาสวดกันนี่ที่ว่าเป็นสิ่งที่เราทํากันขึ้นมาในภายหลังมากกว่าเพราะในสติปัฏฐานสวดท่านก็ไม่สอนให้สวดใช่ไหมเป็นสอนให้เจริญสติไม่ได้สอนให้ลองทํำว่าเช้าว่าเย็นแนละ้ะเนี่ทําว่าทั้งวันทั้งคืนเลยทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย <c oughs> ในปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเจริญสติทั้งวันทั้งคืน สมัยนี้เราไม่ทํากันทั้งวันทั้งคืนเราก็เลยเลือกเวลาทําเช้าเย็นก็พอเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมง응การสวดก็เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธิไปถ้ากรใจความหมายก็ได้ปัญญาก็มีทั้งนั้นคําถามต่อไปค่ะคำถามที่สี่จากคุณปุ้ยปุ้ยขอกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาโยมพิจนาอาการ32จะมีอาการท้องร่วงเหมือนเป็นโรคบิดอย่างแรง อ, อาการถ่ายเป็นสีเขียวๆแล้วมีอาการอาเจียนสำลอกออกมาวันละ 2-3 ครั้งและในทุกครั้งจะมีปิติเย็นๆ เ, เหมือนฟอกอวัยวะด้วยใช่ไหมคะ อ, อ๋อนี้คงจะเป็นเรื่องของร่างกายเนอะ ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปวดแล้วพอดีบางเลยเราไปพิจารณาอาการสามีสองเข้าตามปกติแล้วก า, า, า, ารพิจารณาอาการสามีสองนี่ไม่ได้ทำให้ท้องเสียพนะอาจารย์เด็กคนหนึ่งจะเข้าใจติดไว้ฉันพิจารณาสามีสองยั ง, งท้องไม่เสียอันนี้เรื่องของร่างกายคนละเรื่องกันที่มา จ, จะเป็นเหตุบางเลยเราพิจารณาอาการสามีสองแล้ววันนั้นเท่าเสียเข้าพอดี เ็ลองดูว่าพิจารณาทุกครั้งมันเสียทุกครั้งหรือเปล่าแ mm hmm. ล้ประกันได้ว่าไม่เสียทุกครั้งหรอกเสียทุกครั้งเราก็ต้องเสียตั้งแต่เราพิจารณามันไม่เคยเจอเท้อเสียสถิตเ mm hmm. hmm. ก็ให้แยกแยะถือว่าบางทีเรื่องของร่างกายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจ mm hmm. ร่างกายถ้าเสียเพากินของไม่ดีใช่ไหมกินของเสียมันจะท้องเสียขึ้นมา mm hmm. จะสวดก็ไม่สวดจะพิจารณาการทั้งที่สองกไม่ พิจารมันก็เสียถ้ามันจะเสียันไม่เกี่ยวกันนะนี่เราที่ว่าม้นมันไม่ใช่หรอกถ้าไปไ ป, ไปโยงกันว่าพอพิจารณาการทั้สองแล้วเท่าเสียงก็ลองทําดูทุกครั้งดูมันเป็นอย่างนั้นรึเปถ้าเป็นจะได้มาเอยแผ่ บ, บอกกันนะต่อไปคนอื่นก็จะได้รู้หมดแล้วเหรอค่ะมีคําถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะจากคุณปุ้ยปุ้ยนะคะ ช่วงนี้ในขณะที่ใช้ชีวิตประจำวันมักจะเห็นอากาศเป็นเหมือนไอ้น้ำเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆยมใช้อนาปนาสติเป็นกรรมฐานเจ้า่ะโยมปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะและกราบขอให้พระอาจารย์ช่วยต่อ ย, ยอดให้ด้วยเจ้าค่ะคือไม่เข้าใจความหมายว่าไปเห็นตอนไหนเห็นตอนที่น่ารักหรือยังไง เลยเห็นตามปกติเห็นในใช้ชีวิตประจําวันเด้าค่ะอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการดูรมเรื่องคนละเรื่องกันก็เห็นอะไรก็มัแล้วแต่วันวันมันมีหมอกมีเมงมันก็เห็นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราไปเห็นเ่งก็แสดงว่าจิตเราปุงแตงนันเองก็ไม่มีอะไรสําคัญเห็นก็พิจารณาว่าเป็นไปรักไปเกิดแล้ว ก, ก็ดับไม่ต้องไปยึดไปติดมันยา่าก อย่าไปยุ่ง ม, มันปล่อยมั น, ม, นมันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปให้รู้เฉยเฉยส่วนดูลมอานาบรรสติก็ดูไปเวลานั่งใกล้ดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าเข้าให้รู้ว่าออกรู้ที่ปลายจมูกให้อยู่ที่จุดเดียวจิตจะได้นิ่งถ้าจิตตามลมมันจะไม่นิ่งมันจะเดินเข้าเดินออกไปกับลม ้จิตอยู่เฉยมีจิตเดียวอยู่ที่ปาจมูกถ้าจิตจะได้รวมจิตจะได้ทอดสู่ความสงบได้หมแล้วหรลาอจเจถามแล้วเจ้าค่ะใครอยากจะถามยกมือขึ้นได้นะเชิญอนนี้อยาเปิดโอกาสให้ทุกท่านใครอยากจะถามก็ยกมือขึ full, ้นนะเห็นไอดเห็นใครยกมือมคคุณคุณพัฒนาครับ อยากจะขอเรียนถามพาระอาจารย์อีกข้อ น, นึงนะคะคืออถ้าเกิดสมมุติว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยใช้อนาปนานสติการที่นั่งสมาธิแล้วจดจ่อ ด, ดูลมที่ปลายจมูกเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เรานั่งฟังเทศพระอาจารย์ตอนบ่ายสองโมงแล้วเราใช้สติ จ, จดจ อ, ดจอดกับการฟังธรรมพระอาจารย์มันก็คือการนั่งสมาธิเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เดียว่าเปลี่ยนจา ก, ม จ, จ, ากจมูกเป็นฟังเทศ<ม>ใช่ไหมคะฟังเทศแต่ฟังเทศมันจะได้ปัญญาด้วยได้ความรู้ด้วย อ๋อก็อคือเป็นสมาธิเหมือนกันขรับพระคุณถามถ้าถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราใช้เสียงธรรมก็เป็นสมาธิแทนลมได้ใช้แทนลมได้อ๋อแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยเราก็จะได้สมาธิด้วยแล้วก็ปัญญาด้วยอ่าได้ปัญญาด้วยอืมเราอาจจะบรรลุธรรมได้ถ้าจิตมีกับพลังบ่งได้เลยว่าเอาร่างกายไม่สวยไม่งา ม, ต, ามา ต, าตัดกร า, ารมาตัญหาตัดการซาลมได้อืม ในเรื่องกายต้งตายไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยได้ครับมันไม่ตัวเราของเรามันจะตายออกไปไม่กลัวตายเจบสาวจะปล่อยได้จิตต้องมีสมาธิมีอยู่ใบขาก่อนต้องฝึกสติฝึกกาลังสติให้เยอะๆนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตมวาให้นั่งสนับสนาสมาธิ คนมพ์พิดายังไม่มีโอกาสได้ถามใช่เนี่ยครับเปิดได้เลยครับกมาเทการพระอาจารย์ค่ะที่อยู่กทีใช่ใช่ค่ะออกมาแล้วค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นีอะไรมนี้ก็ตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะก็ มีดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสได้อ่านเรื่องมหาเศรษฐีแท้จริงหนังสือที่พระอาจารย์เขียนไว้ค่ะก็ทําให้เกิดฐานะดีมากเลยค่ะแล้วก็แบบเป็นทําให้เราเทียบว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันมันได้แบบมากพอหรื อ, อยังหรือว่าควรจะทําอะไรอีกโดยเฉพาะตอนที่แบบที่พระอาจารย์เล่าถึงตอนที่พระอาจารย์ปฏบิบัติตอนเป็นคารวาเนี่ยค่ะ ก็ก <ffe> ็แบบรู G ้สึกรู L ้สึกมีกำลังใจที <ett Cloud> to to ่จะทำทำต่อไปค่ะก็ส่วนในเรื่องการนั่งสมาธิก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันแล้วก็การเจริญปัญญานี่ก็ช่วงนี้หนูก็จะพิจารณาพิจารณาชอบชอบพิจารณาดูเป็นคงกระดูกอะค่ะคือตัวเองแล้วก็คนรอบข้างครอบครัว คนที่เราลักอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเป็นแค่กระดูกเป็นแค่ธาตุอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจิตก็จิตก็เข้าใจดีค่ะแต่ก็ก็ยังต้องพยายามทําต่อไปเรื่อยๆค่ะอืมเพือจะน่าเพื่อปล่อยวางค่ะไม่เป็นยึดเจิตไม่เป็นถือว่าเป็นตัวเป็นตนค่ะนาการนี้เป็นตุ๊กตาที่จิตเรามาใช้เป็นเครื่องมือติดต่อกันนั่งค่ะแต่จิตไม่ได้เป็นร่างกายค่ะ แล้วถาวันร่างกายก็ต้องตายถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นจิตมันถ้ามีจิตก็ไม่วุ่นวายวายมันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปค่ะ<ฆ>นะไปเจรจาบ่อยๆงั้นมนจะลืมมันจะไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายมันจิตมันจะไปหลงคิดว่าไป็นวยเป็นร่ารงกายค่<ฆ>ต้องคอยแยกอยู่เรื่อยๆต้องคอยสอนมันอยู่เร<ฆ>ืนะ่อยๆค่นะค่ะ ถ้ามันแยกถ้ามันปล่อยไม่ได้แสดงว่าัตสมาธิไม่มีกําลังพอต้องฝึกสมาธิต่อไปค่ะถ้ามันปล่อยได้มันไม่กลัวความตายไม่กลัวว่ารางกายจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนแสดงว่าจิตมันมีพลังแมีสมาธิอยูเบ็ดขาค่ะถ้ายังกังวลอยู่ยังกลัวอยู่แสดงว่ายังไม่มีเบ็ดขาพอยังปล่อยไม่ได้ค่ะ เจคะนดีปฏิบัติต่อไปนะค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณค่ะมีเวาว่างก็ถึงธรรมะมาอ่านนของครูอาจารย์หตมาบัวก็ดีปฏิปทานปฏิปทานกับประวัติศาสต์จากมั่นสองหนังสือสองเล่มค่ะหอ่าได้แล้วเข้าไปในเว็บไซต์เปิดดูได้ดาวน์โหลดมาอ่านได้ค่ะเว็บไซต์ของน้องตาดอทคอมก็่ีค่ะ อ่านแล้วจะทำให้เกิดกำลังใจค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะหมาอ๋อเารอมานานแล้วเดี๋ยวไปที่หมอก่อนปยัง ไ, ไงสบายดีเหรอนะคะอาจา ร, รย์อาจารย์สบายดีนะคะยังไงมีอะไรไหยไม่มีค่ะถามอาจารย์สบายดีหรือเปล่าแค่ น, น, นั้นนะคะออแล้วมีเวลาปฏิบัติบ้างไหม ก็ได้นั่งสมาธิบ่อยขึ้นค่ะอาจารย์แต่ว่าเวลานั่งสมาธิบางครั้งก็ยังยังง่วงนอนเหมือนกันค่ะนั่งได้ไม่ค่อยงานเท่าไหร่ค่ะถ้าต้องรู้นมาเดินแทนถ้ามันง่วงก็รู้คือมาเดินเดินเดินท่านเดที่มันแค่ก็เดินเดินเดินไปแล้วก็เดินถอยหลังเดินไปข้างหน้าเสร็จก็เดินถอยหลังไว้ทั้งหมุนกลับก็ได้ ทางมันจะหมุนกลัว่ามันจะเวียีรษค่ะทาแล้วก็ให้มันเคลื่อนตัวไม่ให้มันให้มันง่วงมแล้วกลับไปนั่งใหม่ค่ะแนั่งก็สวดมนต์ก็ได้ถ้ามันร่วมก็สวดมนต์ไปก่อนค่ะถ้ามันง่วงมากๆนั่งไม่ได้ก็นอนไปหรือว่ายางแพรต้งยามัน มันเวลาทำงานมันหนักมันก็พอสลบาบ้านก็อยากจะนอนเนี่ยชีวิตของคาราวานก็มีอุปรสรรคในการปฏิบัติแต่อย่ไปทุกข์กับมันเมื่อเมื่อประดุจมาไม่ได้ีทก็นอนแล้วพอเสร็จขึ้นมาก็มามมปฏิบัติใหมดีนา น, นแล้วพอพอเสร็จขึ้นมาตอนเช้ามืดก็ปฏิบัติตอนเช้ามืดแทนก็ได้ ทุกคนสบายดีนะคุณแม่ลูกคุณหลานสบายอยสบายดีค่ะโอเคนี่นะได้นิดหนึ่ะาอากาศนวัตการค่ะอาจารย์คุณสวิตคุณสวิได้ยินไหมคุณสวิตอาจารย์เปิดใหม่ได้นะเปิดใหม่คปนะิดนวัตการครับ ม, <า>บมอยู่ที่ไหนผมอยู่เชียงใหม่ครับผมเพมิ่งมาเจอดเจอครับผม ค ร, รครับผมไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองครับรก็ติดตามอยู่ครับอ่าวันนี้มีคำถามอะไรบะเออคือไม่มีคำถา ม, ม, ม, ถามแต่ว่ามีว่อจากการปฏิบัติก็คือเราเราก็ไม่ได้นั่งนั่งนั่งสมาธิได้ไม่นานนะครับแต่ว่าแค่ว่าเออมันมันไม่ทนหรือว่าคือคือใช้ใช้ความรู้สึกตัว เป็นหลักนะครับว่าเรารู้สึกยังไงมากกว่ า, น, ว า, า น, นะครับแล้วก็เวลามันจะลุกก็สวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปก่อน น, นั่งนงั่ง<อ> ส, ว ด, สวดมนต์ต่อใช่สวดมนต์ก่อนแหละครับว 10. เวลาสมมุตินตั้งเสร็จแล้วมันมันอยากจะลุกขึ้นมาเราก็อยากขึ้นลุกนัง่งสวดมนต์ต่อไปนะสวดไปภายในใจเรื่องทุทโธพุโธไปมันจะร่งได้นานขึ้นครับ ันเฉยๆไ่ีอะไรกับกับใจมันก็นั่งได้นั่งนานเดี๋ยวสติมันหมดกาลังทีเลดมันก็อยากจะให้เรารลกกุกถ้า ม, มั น, มน ร, รู้สึสสกมันมทนไม่ค่อย ไ, ไดค้ครับอเราก็ต้องใชการสวดมนต์สู้กับมันไปครับผมครับผมครับผมครับผมครับครับ นั่งที่คำนั่งมันก็ได้แต่ความสงบนั่งสงบอย่างเดียวนะฮะใช่เป็นแ้วไม่ต้องนัการความสงบอย่างเดียวไม่ต้องการไม่ต้องกครรู้จักเหนื่อยนี้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อเนื้อ้อเน่เนื้อเนื้เนื้อเเน็บอเนืเนอเนืนออเเนืยอเือเนืเนอเน้อเน้อเนื้อเนเนื่อเนื้อเนื้อเนื้อเนเสริอเนนี้อเนือออเน้อเ้ครับผอเข้าใจครับ ก็ได้ไม่ไปยึดไปติไดไม่ไปไปยึดไปไปหวังอะไรจากมันพอ ไ, <ด>ไปวังแล้วมันจะทุกเวลามันมันเวลามันดับเวลามันเสื่อมครับผมครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าพระอาจารย์เข้าไอซูมลักษณะอย่างนี้นี่มีประจําทุกเดือนหรือว่ายังไงครับพอดีเปิดเจอโดยบังเอิญ น, นะครับก็ตอนนี้ก็ทุกกาทิตย์ประมาณเวลาสองทุ่มเกินมาคุย แต่ถ้าอสองทุ่มคือวันพุธนะครับแต่นี่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างถ้ามันตรงกับวันพระวันวันหยุดราชการเราจะไม่ว่าเรามาเสนอวันนั้นอาจจะเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนลงไปวันนึงก็ได้ได้ครับครับผมครับแต่ปกติก็พยายามถือวันพุธนี้เป็นหลักเอวันพุธสองทุ่มนะครับจะได้มามาหลอกส่วนทีวันนี้บังเอิเจอครา้ที่แล้วเจอครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเอ๊เขาไปดูกันตรงไหนเนาะอะไรอย่างนี้ ก็ติดตามอยู่ครับผมโกวกอาจารย์พขาดูกันเนี่ยพวที่เข้ามาไม่ต้องบอกนะห <c oughs> รือคขาไม่มีทีตั้งเตือนในใ น, ในเคยรูนีนให้ตั้งเตือนได้อ๋อครับผมครับเดี๋ยวจะลองทำดูว่าตั้งยังไงนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่กำลังหัดครับรรก็เราลองดูสองช่วงมล้วก็ลองเปิดเข้าไปดู ได้ครับครับผมไม่พูดกรองาคารไม่อาคารก็วัลลภการตรงนี้มันสลับไม่พูดกลองันนะครับว่าเอาการพูดวัลลภโอเคเข้าใจครับแต่บางทีก็จะเป็นพุ่นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นยนต้องเปลี่ยนก็จะถือเอาอรับผมหละนะครับครับแล้วบางทีอาจจะเข้ามาแล้วจะไม่เห็นว่าเครื่องเสียก็ได้นบางทีสัญญาณไม่มีเน็ตได้มีไฟจับอ๋อเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเข้าไปเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนสิบนาทีนี่เองครับผมล้วฟังนิดหนึ่งเสียดายฮะเสียดาย ได้ครับได้ครับโอเคครับนมัสการครับผมต่อไปคุณเลียวคุณเลียวกรรมตรลวจากสเปนใช่ไหมครับคุณแม่กลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อม่นี้ถวายอาหารมาเนี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อนนี้ยูงสเปยัง อยู่สบายังมาทำาทบุญถึงกรุงเทพถึงถึงวัดยานได้นะเจ้าค่ะจิตค่ะส่งหลวงพ่อรอบนี้ลูกมีคำถามลูกนี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเจ้าค่ะรอบนี้เจอเวทนาที่หนักมากแล้วก็มีคำถามที่จะถามหลวงพ่อเพราะว่ารอบนี้เห็นเวทนาที่หนักขนาดเอาหัวนี่ค่ะปักพื้นนั่งสมาธิเพราะว่าเพราะว่าปวด ท้องแล้วก็อาเจียนถ่ายแล้วก็พอดีมันดึกแล้วไม่อยากจะไปโรงพยาบาลไม่อยากจะให้คนที่บ้านเขาลําบากจะรอเช้าค่าคะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็เห็นเวทนาแล้วที่มันหนักมากแล้วก็แล้วก็เห็นร่างกายพิชิตนาเป็นอสุภะคือลูกเห็นร่างกายอะค่ะมันจากที่มันมันแพ้แพ้ อ, อาหารมากที่มันขึ้นผื่นค่อยๆ ข, ขึ้น ขึ้นจากเล็กๆจนขึ้นไปจนเห็นมันผุมันพองมันมันมันมันมันผุมันพองเหมือนร่างกายที่มันจะแตกสลายเสร็จแล้วตอนนี้ลูกมันจะไปยังไงต่อเจ้าค่ะก็ดูว่าต่อไปมันก็ลงกลายเป็นซากศพอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันอย่าไปกังวลกับมันตอนนี้ร่างกายมันจะมีเสียวมีหน้ามันจะเดี๋ยวว่าถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา กับมันไปตามตามสภาพความจริงอย่าไปยึดติดมันร่าง้ายให้เสริมมันก็ร่างกายมันสร้างตกไปแต่งปล่อยว่าอย่าไปทุบกับมันอย่าไปกลัวแม้เจ็บป่วยทุ่กับมันก็อยู่กับมันไปดูร่างไปเดีละถ้าเวลามั็นปวดแล้วเราทนได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลได้ก็ดีอันดีไม่ดีไป่แต่ว่ารอรอตอนเช้าว่า เก่งใจที่บ้านเขาแบบตีสามตีสี่ก็เลยลูกก็พยายามทนให้มันเช้าเราค่อยไปก็เอาหัวนี้ครับปักปักคืนอย่างนี้ค่ะมันมันรู้ว่ามันมันรอบนี้แบบรู้ว่ามันหนักมากรู้ว่าเวทนามันมันมันหมันหนักมันหนักขนาดบอกพุทโธเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วเรายังเรายังโอ้รู้ว่าเหมือน จำไม่ไหวรู้แบบจำไม่ไหวจังค่ะแต่ก็แต่ว่ า, า, วาดีแต่<ท>เราเวลามันเวลามันเจ็บ ม, มากๆก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปไปนี<ช>่จัจังค่ะขนาดมันเปิดทั้งพุทโธแล้วทั้งเปิดธรรมะหลวงพ่อขึ้นมาแบบรู้ว่าขนาดเราปฏิบัติอย่างนี้เรายังเรายังจัด เอาไม่อยู่แล้วผู้ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติถึงตอนนั้นน่ะมันไม่ได้ ม, มันไม่มันท้ยอยะละมานก็ค่ะถ้าอยาจะท้าตัวายเวลามันปวดเจ็บมากๆากก็ค่ะหลวงพ่อลูกรอบนี้ยลูกกับลูกบอกเลยว่าหูพยัทนาแบบหนักแบบแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลก็แบบร่างกายมันเหมือนไม่รับแล้วขนาดบอกน้องริวว่าบอกหมอแม่ไม่แม่ไม่เจาะแล้วเพราะว่าแม่ไม่ไหวไอ้ถอดออกให้หมดเพราะว่า มันแทงไม่ได้แล้วร่างกายมันพองหมดใช่ครับอย่างไรอยไปรักษาที่ไม่ดีตายเพราะรักษาเนี่ยช่างยกรณีเด็กคนนึงเพิ่งเรียนจบมหาลัยก็ปวดท้องตอนคืนเขาเรีงส่งไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้พอกัางเด็กก็ตายหัวใจหยุดเต้นถ้าใช้ธรรมะอุศดายถ้ามาอุไปฏิบัตทนได้สบาป เจ้าค่ะพ่อเ๋ยวมันเมตทนามันก็หายเองเดี๋ยวมันก็เจ็บสุดๆแล้วมันก็ยังหยุดของมันไปเจ้าค่ะนี่มันไปยงกร่างกายบไม่ดีแทนที่ทะาให้มันดีมันกลับไปทาให้มันสุปที่มากระไ้เจ้าค่ะหลวงพ่อือแล้ะราหายมาได้ยังีงถือว่าโอเคนะต่อไปเป็นอิฐเราก็จะใช้ใช้ธรรมะอดสวดใช้พุทโธพุทโธใช้สวดมนตใช้อนิษฐานทุกขังวนาสตกับร่างกาย เกิดมาแล้วน้องเจ็ต้องกายยาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็ไปมันตายง่ามันตายเพราะนั่นห้าใจเราจะสบายสาถูกเจ้าค่ะหลวงพ่อจะสาธุสาธุเดี๋ยวาเรหายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไมตอนนี้มันก็หายไปแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ตัดอย่าไปกลัวมันถ้าเราผ่านมันได้รอบหนึ่งแล้วมันรอบที่สองมันมันมันมันไม่สาหัสแล้วแหละเรารู้จักวิธีสู้มัน อย่าไปกลัวนอย่าไปกลัวมันต้องเจอทุกคนต้องเจอเวทนาของทุกคนเจอเมื่อไหร่หนักหรือเบาคับนีชอบค่ะเอาธรรมะนะิอาปัญญาสองอย่างนี้ชอบค่ะหลบคอจิตจะไม่วุ่นวายจิตจะไม่รู้กับความเจ็บปวดของร่างกายชอบค่ะชอบค่ะนกกาบสาดถสาดถือสาดถือค่ะ่พึ่งเข้ามาพ่งเข้ามานานั้นพึ่งค่ะพึ่ง อ๋อเข้ามาฟังพักหนึงแล้วเจาค่ะแล้วพอดีน้องริวเขาเพิ่งกลับมาจากโรงโรงเรียนแล้วก็อไม่ทราบของลูกมันมันเข้าไม่ค่อยได้อ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าลูกจะเข้ามาฟังตลอดบางทีก็ก็ไม่เป็นไรเราฟังตลอดอยู่แล้วก็ให้คนอื่นที่เขามีคําถามหนักๆถามแต่ว่าวันนี้อ่าเราเรารู้สึกว่าเราต้องต้องถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเพราะว่ารู้สึกอ่าสภาวะธรรมมันมันเรา มันขึ้นมาตรงนี้เราควรจะถามพ่อแม่ครูบาจารว่าเราควรจะไปยังไงต้องไปเข้ามาถักวัพิจารณาปล่อยวางมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครอย่าไปัวอย่าไปห้ามห้ามมันไม่ได้ อ, อย่าไปหยาดให้มันไม่เจ็บอย่าไปหยาดให้มันไม่ตายแล้วค่ะแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับมันได้ได้ทักใจให้สื่อถึงพุทโธพุทโธกันนะแล้วค่ะ ข่าวพุโทโธแบบว่าแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอาหัวปักกับพื้นจริงๆนั่งสมาธิแบบเอาหัวปกกักแบบช่เลย อ, อย่างนั้นเลยแล้วแล้วก็นึกถึงว่าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจ า, ารย์พระอาหารทุกท่านที่มาสอนลูกาหลานทุกคนท่านปฏิบัติหนักมากทำไมแค่เนี้ยเราจะผ่านไปไม่ได้โชคค่ ะ, ะต้องเอย่างนั้นใจได้เนี่ยโชคค่ะ เจ้ค่ ะ, <จ>ะคิด<ม>เราแค่เอาหัวปักนัง่งยังนั่งอยู่ในบ้าน<ม>อยู่ท่านอยู่กลางป่ากัน<ม>ลูกก็คิดแบบนี้เจ้าเออถูกต้องนิสิตบบาอาจากย์นิสิตว่าพูดก็ทาก็ส่งแล้วจะมีกำลังใจนะเจ้าค่ะสาธเตสครับแล้วก็คิว่าเราได้ผ่านสนามสอบแล้วครั้งต่อไปเจอก็จะไม่กลัวแนละ้รู้ สาวสบดีครัสบารดีครับการจะจบไฮสแล้วใช่ไหมปีสุดท้ายแล้วใช่มครับยังมียังอีกหนึ่งปีครับอีก1ปีครับอยากจะไเรียนอะไรต่ออะไรพิชว่าหรือยังไม่ทราบครับงไม่ทราบครับแต่ตอนนี้เรียนอีโคนมิก อยูคนนึงไม่สิถงเดียวไม่มีครับอยากกลับนวัสกรรหนนตาสิครับก็ดูแลแน่ดีนะแม่เป็นคนก็คนอยู่ยาวมากนะถ้าเกิดใกล้ได้ป่วยต้องคอยดูแลทั้งนั้ครับาจจะก็เป็นหนุตา ขอหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาที่ส่งกับข้าวมาให้ประจาเลยนะคสาธุสาธุเจ้าค่ะอาจารย์น้องกลับอนุโมทนากับทุกทุกท่านด้วยเจ้าค่ะอืมสาธอหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุาธมีใครอยากถามก็ยกมือได้นะมีรอยากจะถามมีกันเกิด จสี่ทุ่มแล้วก็เกือบสองชั่วโมงคุณเจนเชิญคุณเจนคนจน่ะมีสามคำถามจากเ c e b o o k ค่ะจากคำถามที่หนึ่งจากคุณกรทไทเล็กน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์คนที่นอนป่วยติดเตียงสามารถปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิได้หรือไม่คะได้สติอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ร่างกาย ปัญญาก็อยู่ที่ใจสึกเสติพุโทโธพุทโธไปฝปัญญาพิจารณาตายรักไปอนนี้จังร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยวางได้เนี่ยคนที่จะบรรลุธรรมส่วนใหญ่ก็จะบรรลุตามที่ใกล้ตายพ่อของ พ, พุทธเจมม้าบรรลุเจ็ดวันก่อนตายไอแ ต, ต้องมีคนสอนนะถ้า ม, มีคนสอนก็เป็นบ้านเงี้ยกลัวจะเป็นบ้าไปได้ ควรเดินกายเป็นของสิ้นเศ้าก็ได้แต่ถ้ า, ามีคนสอนนี่ก็จะใช้สติปุตตสติปุถโธหยุดความคิดหยุดได้จิตสงบก็สอนจิตให้ปล่อยวางว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมฝันให้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินี้ปฏิบัติที่จิตไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายข้อต่อไปคำถามที่สองจากคุณใบตองกรุง เราไปเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆและเพื่อนเขารังแกสัตว์จนตายเราจะบาปด้วยไหมเราไม่ได้ทำด้วยเลยเราไม่ทำไม่บาปหรอกไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ได้ไปบอกให้เขาทำไม่ ว, ว่าเราเราไปทำเองก็ไม่บาปถ้าเราไปยุเพื่อนเอยเอาเลยเอาเลยทำอย่างนู้นอย่างนี้ดีอย่างนี้อะรยงนี้ก็บาปด้วยเพราเรามีส่วนไปไปสั่งเขาไปบอกเขา ที่ใครก็จะทำอะไรถ้าเราไม่มีส่วนเราเราเรายอบรู้เฉยๆนี่เราไม่บาปหมดแล้วค่ะคำถามสุดท้ายค่ะจากคุณสุมาศกราบเรียนถามพระ อ, อาจารย์สังโยชน์สามพิจารณาอย่างไรครับสังโยชน์จมีสิทธิสังย 3, ข้อแรกของพระสดาบันจะพิจารณาว่า ร่างกายคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสันการัญญาไม่มีตัวตนเป็นสภาวะธรรมร่างกายก็เป็นดินน้ำลงไปเวทนาสัญญาสังการิญญาก็เป็นอสภาวะธรรมทางใจเกิดดับเกิดดับไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนไม่ได้ใครไปสั่งให้มันเกิดไม่ไดใครไปสั่งให้มันดับมันเป็นเหมือนดินฟ้ากับไม่มีใครไปสั่งให้ดินฟ้ากับ ฝนตกแดดออกมันเป็นธรรมชาติพูดง่า น, นปล่อยวางพอเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเลยสั่งมันไม่ได้อยาให้มันไม่ตายก็สั่งไม่ได้อยาให้มันไม่เจ็บก็สั่งไม่ได้ก็ปล่อยมันเจ็บก่อนมันตายไปพอปล่อยได้ก็ตาก็ห า, าทุกขก็ไม่ยองตายทําขึ้นมิทำก็จะเห็นต้องพุทธธรรมประสงค์ได้นัดสังเข้อที่สองละ และข้อแรแ ล, ะแ ล, ออละสักยะทิฏฐิแล้วก็เป็นวาระสักยะทิฏฐิได้ะ็จะละความสงสัยในพระพุทธก็ทำประสงค์ได้แ ล, ละสละศีลธระะรมปัามาได้ศีลธรรมัจจาก็คือพิธีกรรมต่างๆที่จะมาแก้ความทุกข์ใจของเรานี้แก้ไม่ได้หรอกแก้ด้วยการไม่กระทําที่สิ่งที่มันทําให้เราทุกข์สิ่งที่ทให้เราทุกข์ก็คือการกระทําบาปต่างๆนี้ ด้วยการกระทำตามความอยากถ้ามาแก้ที่ตรงนี้อย่าไปทำํำตางความอยากดับความอยากเสียอย่าไปทำบาปแล้วก็ความทุกข์ใจก็จะไม่มีมีคือสามโยนสามข้อแรกสำหรับผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ต้องไปพิจารณาสองข้อหลังนะเอาพิจารณาข้อแรกข้อเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปเองมันเหมือ น, น, นกับมันมันมาเป็นพวงเห็นข้อนี้ได้เสองข้อมันก็จะเห็น ตมมาน้าน้าจักรายที่ตื่นให้ได้เพราะว่าน้าจกรายนี้ไม่ใชตัวเราของเราควานี้ถึงแี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราของเราปว่อยมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บอย่างที่เมื่อกี้ยากยกคนที่ปวดท้องนี่ครปล่มันปวดไปไ่ฆ่ามันไม่ได้ก็อยากให้มันหายเจ็บมันจะทรมานแต่ถ้ายอมให้มันเจ็บปว่อยมันเจ็บไปทําอะไรไม่ได้แล้วก็พูดโงเราไปการก็ไม่ลุกขมัย หมดแล้วใชมคุณคำถามแล้วใช่ไหะโอเคจะเปิดโอกาสให้ท่านถามได้หนึ่งสองข้อนะท่านาาาาใครอยากจะถามจรนะิงจิเพราะว่าก็พอสมควรแก่เวลาสิ้นสุดทุนแล้วถ้ามีใครอยากจะถามอะไรมหมยกมือขึ้นมาได้นะแล้วก็เปิดไมค์กับพริู่ได้เลยคุณเดียวคุณสีไม่รู้จะถามอาาม่ไร คิดว่าไม่มีนะโอเคเราคิดว่าพอสมควรแต่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำอเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพริ้นท์ที่เตือนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเพิอน